มีความเกรง็งหรือมีความงอมีอาการงุ้มอยู่ไหมถ้าหากว่ามีอาการงอมีอาการงุม้มหรือมีอาการเกร็งใดๆเนี่ยให้ผ่อนให้พักนะให้ฝ่าเท้าเนี่ยมันคลายวางอยู่ด้วยอาการวางจริงๆสบายอยู่ด้วยความรู้สึกว่าไม่มีมัดเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งของฝ่าเท้าเนี่ยมันทางานเนี่อันนี้มันสะท้อนพื้นจิตพื้นใจในอวัยวะส่วนส่วนล่างสุดเนี่ย ถ้าหากว่ามันมีอาการเกร็งมันมีอาการงองงุ้มอยู่ก็คือสะท้อนว่าสภาวะทางจิตทางใจเนี่ยมีความเกร็งมีความเค้นแต่ถ้าหากว่ามีความผ่อนคลายและเรารู้สึกถึงความผ่อนคลายฝ่าเท้านั้นใจมันก็จะสบายตามไปด้วยมันสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาฝ่าเท้าผ่อนคลายใจมันก็สบายตามและเมื่อใจสบาย ใจสบายส่วนหนึ่งแล้วนะส่วนของพื้นนะนอกจากทีเ่เราจะรู้สึกว่าพื้นจิตพื้นใจมันจะสบายขึ้นนะมันมีความรู้สึกเหมือนกับสติเนี่ยเข้ามาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นปกติเนี่ยฟุ้งซ่านไปเรื่อยปกติจะไม่รู้สึกถึงเนื้อถึงตัวไม่รู้สึกถึงลมหายใจไม่รู้สึกถึงอะไรทั้งสิ้นนอกจากความอยากเฉพาะหน้าแต่พอเรารับรู้ถึงความผ่อนคลายสบายที่ฝ่าเท้า มันเหมือนกับไอความเป็นเนื้อความเป็นตัวนี้มันมาปรากฏต่อสติสติมันเข้ามาอยู่กับท่านั่งนี้ก็สํารวจไล่ต่อมาว่าฝ่ามือนะวางอยู่บนหน้าตักเนี่ยมีความผ่อนคลายไหมหรือว่ามีอาการงออยู่มีอาการกำอยู่นะถ้าหากว่ามีอาการกำอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยกำหมัดแน่นเลยเวลาที่นั่งสมาธินึกว่าเนะี่ยาการนั่งสมาธิต้องบังคับตัวเองให้ นิ่งแ น, แน่วแน่มุ่งมั่นอยู่กับที่นะเลยเกิดอาการกำรร ม, มือโดยไม่รู้ตัวนะถ้ากำรรอยู่ก็ขอให้คลายซะให้มีอาการผ่อนพักไม่แตกต่างจากฝ่าเท้าคุณจะรู้สึกสบายขึ้นมาครึ่งตัวแลนะอาการสบายขึ้นมาครึ่งตัวเนี่ยก็เหมือนกับมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมากขึ้นด้วยจากนั้นไล่มาดูที่ ตัวทั้งใบหน้านีบางคนเนี่ยขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาบางคนมีอาการตึงที่ขมับอยู่ตลอดเวลาถ้าหากว่าเราผ่อนพักทั้งเท้าแล้วก็มือไว้ได้แล้วเนี่ยทั่วทั้งใบหน้าเนี่ยเราก็จะรู้สึกผ่อนพักผ่อนคลายตามไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะบางคนขมวดคิ้วอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอฝ่าเท้าฝ่ามือมันมันคลายออกเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงอาการผ่อนคลาย คลายจากอาการขมวดคิ้วตามไปด้วยโดยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องฝืนนะถ้าสํารวจดูแล้วมีส่วนใดส่วนหนึ่งบนใบหน้ามันยังตึงมันยังมีอาการขมวดมันยังมีอาการเคร่งๆอยูนะ่ก็ไม่ต้องไปรีบร้อนแค่รู้สึกถึงมันแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราไม่ไปคิดมากเราไม่อยู่ในอาการออพุ่งซ่านนะแค่อยู่ในอาการรู้ตัว รู้ท่านั่งที่มันผ่อนพักอย่างนี้ใบหน้ามันก็คลายออกได้เองอยู่แล้วเอาละเมื่อเกิดความรู้สึกเข้ามาในเนื้อในเนื้อในตัวนะมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวดีแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าสภาพร่างกายหรือท่านั่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาวะนะทางรูปธรรมที่เอื้อให้จิตมีความสงบสบายนะหลายคนเคร่งเครียดมาทั้งวัน พอแค่ไล่สำรวจสังเกตมานะป่าเท้าฝ่ามือแล้วก็ใบหน้าอย่างนี้มันเกิดความรู้สึกว่าเออทั้งเนื้อทั้งตัวมันเบาลงทันทีและจิตใจมันก็พลอยสบายตามไปด้วยนักษณะของใจที่มันมีความสบายผ่อนคลายไม่เพ่งที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างนี้แหละที่พร้อมจะเป็นสมาธินะจิตแบบนี้แหละที่เราจะนํามาเริ่มฝึกปฏิบัติอาณาปานสติกัน ที่ผ่านมายังไม่ได้เข้าเรื่องอาณาปานสติเลยนะแต่แค่เตรียมความพร้อมของร่างกายให้มันมีความสบายพอจะฝึกอาณาปานสติด้วยสติสมัมชัญญะที่มันมีความพรักพร้อมหากว่าเกิดความคลุ้งสัน้นเกิดความกระวนกระวายขึ้นมาใหม่นะก็ไล่สำรวจอีกนับหนึ่งใหม่เลยนะเริ่มจากฝ่าเท้าเริ่ม ไล่ขึ้นมาถึงฝ่ามือแล้วก็มาสุดที่ใบหน้าจากนั้นเมื่อร่างกายผ่อนพักตีแล้วเราแค่สารวจเฉยๆเหมือนถามตัวเองว่าขณะนี้ร่างกายต้องการลมหายใจอยู่หรือเปล่าบางทีมันยังไม่ต้องการลมหายใจก็ไม่ต้องไปเรียบร้อนแต่ถ้ามันเริ่มหิวลมหายใจคือมีอาการเหมือนกับขาดลมหายใจ เราก็ดึงลมลากลมขึ้นมาสบายๆและเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนะรู้สึกถึงความอึดอัดที่ลมเข้าไปแน่นอยู่ในบอดเต็มที่แล้วเราก็ค่อยผ่อนคลายออกมาระบายออกมาหลังจากระบายออกมาจนสุดนะร่างกายมันสามารถอยู่นิ่งๆของมันเองได้ไม่ได้ต้องการลมไปหล่อเลี้ยงก็ไม่ต้องไปรีบร้อนนะไม่ต้องไปพยายามที่จะดึงลมเข้าอีกทันทีทันใด ปล่อยให้ร่างกายมันอยู่นิ่งๆสบายๆของมันนั่นแหละตอนที่มันไม่มีลมเข้าไม่มีลมออกเนี่ยกลายเป็นกายอยู่ในสภาวะนิ่งไม่ไหวติงดีซะอีกนะมีความพร้อมมีความเออ่เป็นที่ตั้งของสมาธิทําใจที่มีความปลอดโปร่งที่มันมีความโล่งเบาไม่ต้องทํางานไม่ต้องมีอาการเคลื่อนไหวใดๆถึงเวลาถ้ามันหิวลมหายใจใหม่เราก็ค่อย ปล่อยให้มันมีอาการลากลมหายใจเข้าไปใหม่สบายๆด้วยอาการอย่างนี้นะมันจะเกิดความรู้ขึ้นมารู้ตามจริงว่าลมหายใจถึงเวลาเข้าเมื่อไหร่ลมหายใจถึงเวลาออกเมื่อไหร่แล้วก็ที่สำคัญลมหายใจนะมันถึงเวลาหยุดไม่ต้องเข้าไม่ต้องออกเมื่อไหร่อย่างนี้เรียกว่ารู้ตามจริงแต่ปกติเนี่ยคนจะรีบเร่ง พยายามที่จะดึงลมเข้าอยู่ตลอดเวลานะหรือไม่ก็พยายามจะระบายลมหายใจออกแบบไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอยากจะเป็นสมาธิอย่างเดียวด้วยอาศัยความอยากแบบนั้นเนี่ยนอกจากจะไม่เกิดสมาธิแล้วนะมันยังเกิดความอึดอัดมันยังเกิดความเคร่งเครียดมันยังเกิดความฟุ้งซ่านไม่รู้จบทํากี่ปีกีป่ปีบางคนทําเป็นสิบสิบปีนี่ยก็ไม่เกิดสมาธิอะไรขึ้นมาเพราะว่าจิตมัวแต่มีอาการเคร่งเครียดหมกมุ่น อยากจะได้ความสงบอยากจะได้ความสงบนั่นแหละไม่สงบแล้วเมื่อเราสามารถที่จะปรับจิตให้อยู่ในสภาวะพร้อมรู้ตามจริงไม่ใช่พร้อมจะเอาตามใจอยากเราจะรู้สึกถึงความแห้งสะอาดสบายนะเหมือนกับอยู่ในสภาวะโปร่งโล่ง ยิ่งโปร่งล่งมากขึ้นเท่าไหร่ลมหายใจยิ่งปรากฏชัดมากขึ้นเท่านั้นปรากฏชัดอย่างไรปรากฏชัดโดยความเป็นธาตุลมนะเดี๋ยวมันก็พัดเข้าเดี๋ยวมันก็พัดออกแล้วในอาการพัดเข้าในอาการพัดออกนั่นเองนะไม่เหมือนเดิมนะคนละชุดกันเนี่ยเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเป็นคนละชุดกันเนี่ยมันก็มีจังหวะที่เราตั้งกายต้องการลมเข้ายาวบ้างต้องการลมเข้าสั้นบ้าง หรือบางทีนะมันก็มีลมออกยาวบ้างลมออกสั้นบ้างแล้วแต่ว่าธรรมชาติของกายเนี่ยจะเรียกร้องอยากจะได้ลมยาวหรือว่าลมสั้นไม่ใช่เป็นอาการเรียกร้องทางใจไม่ใช่ความอยากทางใจนะที่อยากให้มันสั้นที่อยากให้มันยาวเรารู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะไม่แคร์ไม่สนใจไม่ให้คะแนนนะว่าลมสั้นหรือลมยาวมันดีหรือไม่ดี อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้เห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจถ้าหากว่าเฝ้ารู้เฝ้าดูอยู่เรื่อยๆนะว่าลมหายใจเดี๋ยวก็พัดเข้าเดี๋ยวก็พัดออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นจิตมันจะไปมีสภาพตั้งมั่นรู้อยู่มีความสว่างมีความสบายมีความรู้สึกถึงความโปร่งโลง่งนะที่ มันเกิดขึ้นจากอาการไม่อยากไม่กระวนกระวายไม่คิดที่จะเอาอะไรมาเป็นของตัวเองทั้งสิ้นเห็นแต่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมเปลี่ยนแปลนโยนแปรไปตามตามธรรมชาตินะมีเหตุปัจจัยให้มันมีความโยนแปลไปของมันเองเดี๋ยวเข้าแล้วก็ต้องออกเดี๋ยวออกแล้วก็ต้องเข้าบางทีก็เข้ายาวบางทีก็เข้าสั้น ด้วยอาการเห็นอยู่อย่างนี้และพอใจอยู่อย่างนี้มันจะเกิดความตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาอีกแบบหนึ่งไม่ใช่ตั้งมั่นจับอะไรแน่นๆนะแต่เป็นตั้งมั่นรู้แบบสบายๆเปิดจิตเปิดกระแสสู่ความว่างความโล่งด้วยความว่างความโล่งแบบนี้นะมันถึงจะเป็นสมาธิจริงจิตเวลาที่มันเต็มดวงมันจะแผ่ออกไม่ใช่ว่าหดเข้า ไม่ใช่ว่ามีอาการรัดแน่นเข้ามาในตัวแต่เป็นอาการเปิดสบายออกไปเหมือนพร้อมจะให้ความสุขแล้วก็ความโปร่งเบาเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วๆรอบตัวเนี่ยลักษณะดเดียวกันกับกระแสของเมตตาการที่เรารู้สึกถึงกองลมที่มันมีเข้า มีออกมียาวมีสั้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยมันจะเกิดความสุขขึ้นมามันจะเกิดความเบามันจะเกิดความรู้ตื่นนี่ลักษณะของความเบาความรู้ตื่นนะที่มันเป็นความสุขเวลาที่หายใจเข้าแล้วมีความสุขเวลาหายใจออกแล้วมีความสุขนี่ก็เป็นข้อสังเกตเป็นจุดสังเกตได้ว่าความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ มันมาจากเหตุและปัจจัยมาจากการที่เราไม่อยากมาจากการที่เราตื่นรู้อยู่เห็นอยู่กับความจริงไม่ใช่ เ, เห็นแต่สิ่งที่เราอยากจะได้อย่างนั้นอยากจะได้อย่างนี้ความสุขอันเกิดจากการเห็นตามจริงนี้มันมีความไม่เที่ยงเช่นกันเราหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งเนี่ยสามารถเห็นได้นะลมหายใจหนึ่งมีความสุกระดับหนึ่ง อีกลมหายใจต่อมามันอาจจะมากขึ้นยิ่งนิ่งนานเท่าไหร่มันยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าหากเราไม่สามารถจะนิ่งได้คลื่นความฟุง้งซ่านวอกวนกลับมาอีกความสุขความปลอดโปร่งมันก็เหมือนจะหายไปกลายเป็นความทึบความแน่นขึ้นมาแทนจากที่เห็นลมหายใจชัดมันกลายเป็นเห็นไม่ชัดนี่ก็คืออาการภายในหรือว่าโรคภายในที่เราสามารถรู้ได้เห็นได้เพียงด้วยอาการนั่งสมาธิอย่างถูกต้อง นั่งสมาธิแบบที่เรียกว่าอาณาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนนะไม่ใช่ไปจับจ้องลมหายใจอย่างเดียวแต่อาศัยลมหายใจแต่ละละลอกเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นที่ภายนอกนะคือลมหายใจเป็นยาวหรือเป็นสั้นแล้วก็เกิดอะไรขึ้นที่ภายในคือว่ามีความสุขหรือว่าไม่มีความสุข มีความโปร่งเบาหรือว่ามีความอึดอัดครับแน่นเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกว่าทั้งหลายทั้งปวงเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงความไม่เที่ยงจิตมันจะเกิดพุทธิปัญญาขึ้นมามันจะเกิดความสว่างสวยัยมันจะเกิดความสว่างในอีกแบบหนึง่งไม่ใช่เหมือนแสงน่ออนไม่ใช่เหมือนแสงแดดแสงอาทิตย์แต่ว่าเป็นความสว่างที่ออกมาจากใจกลางตัวความเป็นตัวเราออกมาจากใจกลาง ความรู้สึกที่มันไม่มีที่ตั้งที่มันไม่มีรูปร่างมันไม่มีสี่เหลี่ยมมันไม่มีวงกลมมีแต่ความรู้สึกเป็นดวงๆนะเหมือนกับกระแสะมันเหมือนกับกระแสะของมันเหมือนกับมีรมัศมีนะความสุขมีรมัศมีความสว่างที่มันแผ่ออกไป อแหละก็ถ้าจําไม่ได้นะก็เวลาที่จะฝึกสมาธิถ้าหากว่าใครยังไม่คล่องนะว่าจะเข้าทางอานอานสติอย่างไรเนี่ยก็ไปฟังได้ผมเอาไฟเสียงพูดคล้ายๆอย่างนี้แหละไปไว้ที่ saucloud.com นะดังทรินดียูเอ็นจีีเอนเนี่ยนะมาเริ่ม จากคำถามแรกเลยนะตอนนี้หลายๆคนจิตมันมีความสว่างมีความล่งความเบาขึ้นก็คงจะฝึกสมาธิกันมาพอสมควรนะในห้องนี้ในครั้งนี้ใลาคนมีความว่างมีความสว่างมีความรู้สึกปลอดโป ร, โรง่งแล้วก็เข้าใจว่ า, าจะดูลมหายใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงเบื้องต้นได้อย่างไรเอาละคนแรกเลยนะเชิญเลยครับ สวัสดค่ะท่านอาจารย์พอดีต้องอยู่ขึ้นไปดูไล่ไล่ที่พิชณตโลกให้พี่ชายพอดีมีคนถามว่าทําไมอยู่คนเดียวได้อะไรอย่างนี้นะคะพอดีเสียบ้างหนูจะสวมดมนต์แล้วก็เดินจงกรมมากกว่าไม่ค่อยนั่งสมาธิค่ะอาจารย์มีอะไรแนะนําบ้างไหมคะเอาเอาคําถามดีกว่านะสงสัยยังไงอย่างเช่นเดินจงกรมแล้วไปเห็นอะไรมายังไงบ้าง จะไม่เห็นอะไรคะ่ะไม่ไม่เห็นอะไร ค, คือคือเดินจงกลมเนี่ยคาว่าเห็นหมายความว่าเรารู้สึกถึงเท้ากระทบหรือว่ารู้สึกถึงอาการเดินโดยมากรู้สึกไหมว่าเวลาที่เดินจงกรมเนี่ยเราปุ่งสซ่นหราถือว่าสงบมากกว่ากันไอะจะสงบมากกว่าพุ่งแซ่นค่ะ ตอนที่เดินยองกลมเนี่ยเรารู้สึกไหมว่ากายมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นเคยรู้สึกบ้างไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ ะ, ะบางทีเนี่ยที่มันไม่เห็นกายแสดงความไม่เที่ยงไม่ใช่เพราะว่าเราถึงหรือไม่ถึงขั้นไหนบางทีมันเกิดจากมุมมองเราตั้งมุมมองไว้อย่างไงด้วยนะถ้าหากว่า เ, เราเดินไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยกายมันขยับเดินไป ม, มันมีแต่อาการเดินไปเฉยเนี่ยก็จะเป็นการอยู่มีสติอยู่กับท่าเดินแต่ไม่ใช่มีสติอยู่กับความเิริบบทเดินที่เป็นความหมายของการเจริญสตินะการเจริญสติที่แท้จริงเนี่ยมาตรวัดง่า ย, ายคือว่าเมื่อเจริญไปแล้วถึงระดับหนึ่งเนี่ย สิ่งที่เรากําลังดูอยู่หรือว่าสามารถระลึกได้อยู่เนะี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นหรือเปล่าหรือว่ามีอาการแสดงความเป็นอนัตตาให้เราดูหรือเปล่าถ้าเดินเดินไปแล้วเรารู้สึกว่ามีแต่ท่าเดินอย่างนั้นเนี่ยมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะมันมันอยู่กับความสงบได้มันอย่างน้อยที่สุดมันทําให้เราไม่ฟุ้งซ่านมันทําให้เรามีเครื่องอยู่ของจิตมีเครื่องอยู่ของสติแต่ที่มันจะ พัฒนาเป็นวิปัสนาหรือว่าเห็นตามจริงได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากการตั้งข้อสังเกตหรือมีมุมมองที่ชัดเจนว่าเราจะสังเกตกายโดยความเป็นอย่างไรนะเจ้าสอนเดินจงกรมเนี่ยท่านให้ดูว่าอิริยาบทเดินเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวน ทีนี้เราจะดูความไม่เที่ยงหรือว่าดูความแปรปวนของเอริบทเดินได้อย่างไรก็ง่ายๆเลยนะเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยแทนที่เราจะไปกำหนดถึงท่าเดินเราแค่รับรู้ตามจริงว่าสัมผัสกระทบที่เท้าเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไตนะแปะแปะแปะไปเราจะรู้สึกได้ว่า สัมผัสกระทบมันเป็นของจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เราจินตนาการหรือว่านึกขึ้นมาว่าเนี่ยมันกำลังมีความรู้สึกอยู่อย่างไรมันส่งความรู้สึกขึ้นมาถึงใจเราแนวะว่าแป๊แปะแป ะ, แปะไปนี้การที่เรามีสติสังเกตอยูนะ่ว่าฝ่าเท้ากำลังกระทบกระทบกระทบไปเนี่ยนะมันสามารถที่จะตรวจมันสามารถที่จะสำรวจได้ว่า ขณะนี้ขณะหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันยังมีความรู้สึกถึงฝ่าเท้ากระทบอยู่หรือเปล่าถ้าใจเราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยว่า เ, เราจะรู้สึกถึงเท้ากระทบพอเท้ามันหายไปจากใจนั่นแปลว่าสติมันขาดละสติมันขาดไปจากที่เรากำหนดไว้ตอนแรกนึกออกใช่ไหมอันนี้คือเรียกว่าเรามีจุดสังเกตว่าสติมันอยู่หรือไปแล้วถ้าหายไปจากใจนั่นแสดงว่าใจเริ่มเหม่อ เริ่มบกแวกออกไปจากรูกจากทางแต่ถ้าหากว่าเรายังรู้สึกถึงเท้ากระทบนะไอ้ที่มันรู้สึกว่าฝ่าเท้ามันสัมผัสกับพื้นแข็งๆข้างล่างให้ให้ความรู้สึกอย่างไรอยู่นั่นแสดงว่าสติมันมันยังไม่ไปไหนเนี่ยหลักง่ายๆไอ้นี่เราก็จะเอามาประมวลให้เห็นความไม่เที่ยงได้เช่นกันคือ ทุกครั้งที่เราเริ่มเมอไปเท้าหายไปจากใจเราบอกตัวเองแค่ว่าเออเนี่ยเท้าหายไปจากใจแล้วนะสติมันแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นแล้วนี่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงในระหว่างเดินจงกรมแล้วหรือบางครั้งเราเดินไปเรายังรู้สึกถึงเท้ากระทบอยู่เลยนะกระทบกระทบกระทบไปแต่ว่าเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาเราเรารู้สึกถึงความไม่สงบทางใจ แต่พอเรายัางรู้อยู่เห็นอยู่ถึงเท้ากระทบแปะแปะแปะไปเนี่ยเราก็เปรียบเทียบได้ว่าตอนแรกที่เรารู้สึกถึงความฟุ้งซ่านที่มันโผล่ขึ้นมาในหัวเนี่ยมันอยู่ที่ก้าวไหนแล้วก้าวก้าวก้าต่อไปเนี่ยนะแปะแปะแปะต่อไปเนี่ยคลื่นความฟุ้งซ่านเนี่ยมันค่อยๆคลายตัวออกมาหรือเปล่านี่ก็เป็นการเห็นความไม่เที่ยงเช่นกันระหว่างที่เราเดินจงกรมถ้าหากว่าเกิดความเห็นอาการไม่เที่ยงต่างๆนะทั้งหลายเหล่านี้ บ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยมันกลายเป็นการสั่งสมความรู้กลายเป็นความส า, ามารถที่จะเห็นตามจริงว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏแสดงอยู่ในภายในขอบเขตของกายของใจเนี่ยมันกำลังฟ้องความไม่เที่ยงอยู่เริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยคือฟ้องฟ้องสัมผัสก่อนสัมผัสเนี่ยเรายังไม่ไปรู้ไปเห็นไปเกิดปัญญาอะไรมากแต่มันเกิดที่ตั้งของข้อสังเกต ว่าเนี่ยเรากําลังจับสติอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยถ้าข้อสังเกตตรงนั้นมันหายไปอยากใจแสดงว่าสติขาดนะที่ผ่านมาคือที่คุณเดินจงกรมเนี่ยคือมันได้ความสงบเพราะว่าเราตั้งใจที่จะเดินให้สงบเข้าใจไหมความตั้งใจของเราคือเราเราตั้งใจอยู่กับการเดินแล้วมันก็เกิดความสงบอยู่กับการเดิน ความสงบนั้นมันเกิดจากการที่เราอยู่กับการเดินตามความตั้งใจ mm hmm. แต่จริงๆแล้วถ้าหากเราสามารถที่จะมีจุดสังเกตอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะคือเท้ากระทบเนี่ยเราจะรู้ว่าความสงบนั้นแสดงความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้สงบอย่างเดียวตั้งแต่ต้นจนจบมันมีความฟุ้งสั้นแวบเข้ามาบ้าง <Come on. S 1> มันมีอาการที่เหมื่อออกไปหาเรื่องอื่นบ้างนะเนี่ย ไอ้ส่วนพวกเนี้ยส่วนเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เข้ามาสู่ใจเราถ้าเราไม่ตั้งจุดสังเกตไว้ก่อนอการเดินยงกลมเราจะได้แต่ความสงบพูดง่ายๆว่าได้แต่สมถะไม่ได้วิปัสนาตัววิปัสนาคือการเห็นตามจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับลงเป็นธรรมดาด้วยอาการยอมรับยอมรับตามจริงนะลอ ง, งลองสังเกตตอนคุณเดินจงกลม กว่าที่มันจะนิ่งมาได้ขนาดนี้มันต้องเดินมาหลายรอบนะหลายร้อยหลายพันรอบแล้วบางทีเนี่ยมันไม่อยากยอมรับตอนที่เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือว่าเดินทั้งไหนแล้วไม่สงบมันไม่อยากยอมรับมันอยากปฏิเสธจะเกิดความรู้สึกกระวนกระวายขึ้นมาอยากกลับไปสงบอีกลักษณะของความกระวนกระวายตรงนั้นฟ้องความอยากตรงความอยากนั่นแหละสะท้อนว่าเรายังไม่ได้เห็นตามจริง ไม่ได้พร้อมที่จะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะการการเจริญวิปัสนาหรือว่าการเจริญสติที่ถูกต้องเนี่ยมันจะต้องมีทั้งความสามารถในการยอมรับอะไรที่ดีๆแล้วก็อะไรที่เสียๆที่แย่ๆด้วยนะลองสังเกตในชีวิตในชีวิตประจาวันเราเอา่ะเราจะรู้สึกสดชื่นหรือว่ามีความสุขต่อเมื่อใจมันสบายต่อเมื่อไม่มีเรื่องรบกวนจิตใจ แต่ถ้าเมื่อใดเกิดความพุ้งซ่านขึ้นมามันจะรู้สึกไม่มีความสุขแล้วแต่ถ้าหากว่าเราจะเดิญสติอยู่ด้วยมุมมองที่นะยอมรับทุกภาวะโดยเอามาเปรียบเทียบอย่างเวลาเกิดความพุ้งซ่านขึ้นมาเราเราเห็นด้วยาการยอมรับตามจริงว่ามันเนี่ยผุ้งซ่านและตอนนี้โกรธแล้วตอนนี้ขัดเคืองละนะเห็นว่าเป็นภาวะหนึ่งที่ปรากฏขึ้นมาชั่วคราวเปรียบเทียบกับไอภาวะที่มันมีความสุขที่มันมีความสงบอกสงบใจ มันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยนะมันก็ค่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาว่าสภาวะทั้งหลายไม่ว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจไม่ว่าจะน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงให้ดูทั้งสิ้นแต่คนปกติเนี่ยพอมีความสุขมันรู้สึกและขอยึดไว้อยากให้มันอยู่นานๆหรือว่าอยากสร้างให้มันเกิดขึ้นอีกซําแล้วซ้ําเล่าแต่ถ้าเกิดความทุกข์ขึ้นมาปฏิเสธหมด เข้าใจพลอยนะค่ะเดี๋ยวขอเปลี่ยนขอโอกาสครับผมมาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วครับคราวที่แล้วก็ประมาณกือปีปีเกือบสองปีนะครับคราวที่แล้วพี่ตุลบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ครับครับคราวที่แล้วพี่ตุลบอกว่ามัน สติมันก็ก็พอมีครับแต่ว่ามันเห็นอะไรไม่ชัดแล้วก็มันเห็นอะไรเบลอครับตอนนี้กลับไปเนี่ยผก็พยายามแปะป้าแล้วก็พยายามสังเกตสภาวะนะครับก็ก็เริ่มก็เริ่มก็เริ่มคหียๆเรื่อยๆแล้วก็มันดิ้ไปคือเห็นใช่ไหมว่าตอนที่เบลอกับตอนที่มันเริ่มชัดขึ้นมันต่างกันยังไงครับรู้สึกว่ามันเกี่ยววัดตัว ตั้งมุมองหรือว่าใช่เขาพอพอทําความเข้าใจมันปึ๊บมันก็จะชัดแล้วก็ถ้ามันไม่เข้าใจมันก็จะเกิดสภาวะงงๆเบลอขึ้นมาใช่คําคราวนี้เพราะว่าวิธีคิดของเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเอาแค่พอผ่านเหมือนวิธีคิดทางโลกเนะครับเราเราเอาแค่พอให้มันผ่านๆไปคคือไม่จําเป็นต้องชัดเจนไม่จําเป็นต้องให้ถึงที่สุดยังไงก็ได้นะจิตมันเลยคล้ายๆกับ คอยจะอยู่กับอยู่ก่าความรู้สึกที่ว่าเออตรงเนี้ยแค่แค่นี้ก็พอผ่านผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ต่อต่อมาก็คือรู้สึกว่าพอสังเกตมากๆเขาพัวหนึ่งไปพยายามก๊อปปี้แยกรูปแยกนาม เนตครับแล้วพีก็ช่วยแก้ให้คือมีอย่างอย่างขอถามสภาวะอักเสบครับคือผมเริ่มสับสน น, นิดนึงอย่างเช่นตอนแรกเวลาจะตั้งตั้งสติเริ่มทําความรู้สึกตัวคราวนี้พอทําความรู้สึกตัวเริ่มไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยครับพอความรู้สึกในในอิเลโบทมันหายไปความพวกลมหายใจหรือว่าความพุ่ง เอาเอาเฉพาะที่มันรู้สึกถึงความฟุ้งซ่านขึ้นมามันจะแตกต่างจากตอนที่เรารู้ความฟุ้งซ่านทั่วไปอย่างเมื่อกี้เนี่ยตอนที่น้องทําตามที่พี่ไกด์ไปเนี่ยนะมันจะมีบางช่วงที่รู้สึกชัดขึ้นมาเหมือนกับใส่ๆเหมือนกับโปร่งๆแต่บางช่วงมันก็มัวมัวมนมลเหมือนกับมีเมฆหมอกอะไรมาบางบางนึกออกใช่ไหมอ่าเนี่ย ไอ้ตัวที่เหมือนมีเมฆมองอะไรมาบางๆเนี่ยนะแปะป้ายมันไว้เลยว่านั่นคือโมหะมันคือกลุ่มกล้อนโมหะซึ่งของเราเนี่ยในชีวิตประจําวันมันจะมีแบบนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่เราจะไม่สังเกตเห็นถ้าหากว่าไม่มีความปลอดโปร่งมาเป็นตัวเปรียบเทียบแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมีความปลอดโปร่งมันมีความชัดมีความใสขึ้นมาเป็นขณะๆเป็นห้วง แล้วพอมันมัวมลลงไปมันมีความรู้สึกเหมือนกับมีโมหะมาปกคลุมเนี่ยเราก็จะสามารถแยกออกว่าตอนเนี้ยเริ่มมีโมหะมาปกคลุมแล้วดูตัวเนี้ยเหมือนกับดูเหมือนเช่นกันเวลาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมานะเราจะรู้สึกว่าจิตเปลี่ยนสภาพจากอาการใสๆอาการที่มันมีความสว่างกลายไปเป็นเนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยที่ขุดขึ้นมาวุบมหนึ่งอ่ะเหมือนกับมีคลื่นนบกวน มันก็มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาเวลาเราดูอย่าไปพยายามที่จะล็อกท่านั่งไว้นะว่านี่จะต้องอยู่กับจะต้องติดอยู่กับท่านั่งไว้ก่อนถ้าความพุ้งสร้างมันขึ้นมาเนี่ยปกติเนี่ยมันมันจะดึงใจเราออกจากเอเดียรียบทอยู่แล้ว พูดง่ายๆเรารู้อิริยบทอยู่เพราะพุ้งสั้นขึ้นมาความหมายของความพุ้งสั้นคือมันมันดึงเราออกไปจากความรับรู้ทางกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปขืนมันแต่พอมันความพุ้งสั้นเนี่ยนะเรารู้สึกถึงมันได้แล้วมันหายไปหรือแสดงอาการคลายตัวออกไปเนี่ยตัวนี้แหละให้เรากลับมาระลึกว่าเรายังอยู่ในท่านั่งอยู่หรือเปล่าเรายังอยู่ใน ความสามารถรับรู้ว่าลมหายใจมีเข้ามีออกอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าช่วงที่ลมหายช่วงที่ความคุ้งซ่านมันเริ่มคลายตัวไปนะแล้วเรากลับมาอยู่ที่ อ, อยติยมบทปัจจุบันนะหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เนะี่ยมันจะเป็นตัวเปรียบเทียบได้ว่าลมหายใจที่แล้วเราฟุ้งซ่านแต่ลมหายใจนี้เราเริ่มปลอดโปร่งใหม่มันจะเห็นเป็นภาวะที่เปรียบเทียบกัน นะระหว่างลมหายใจก่อนกับลมหายใ จ, ใจนี้เนี่ยจิตของเราเปลี่ยนจากพุ่งส่านเป็นสงบเป็นปลอดโปร่งเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยเรามัวแต่ไปพวงว่าเอ๊จะรู้ความพุ่งสัน้นหรือว่ารู้อเอริยาบทกลับมารู้อเอริยาบททันทีดีมันจะกลายเป็นความลังเลสงสัยและความลังเลสงสัยเนี่ยลองมองเข้าไปเป็นสภาวะนะมันจะเห็นเหมือนคลื่นเหมือนกับม่านหมอก นะที่มาบดบงังไม่ให้เกิดความก้าวหน้านึกออกไหมพอสงสัยว่าไอ้จะทํำยังไงดีไอ้ความสงสัยนั้นเนี่ยมันกลายเป็นอะไรทึบๆขึ้นมาในหัวแล้วมันกลายเป็นอะไรที่มันไม่ให้เราเห็นทั้งลมหายใจไม่ให้เราเห็นทั้งความคงทีนมันมันเหมือนดูอะไรก็ตอนนั้นก็จะไม่ชัดไปเลยคเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยจิตยึดอยู่กับความสงสัยความสงสัยเนี่ยเรียกว่าเป็นนิวรนหรือเป็นเครื่องขวางสติ ชนิดหนึ่งนะมีชื่อเรียกว่าวิจิกิจฉาตัววิจิกิจฉาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราเหมือนกับไปเข้าร่วมให้ความร่วมมือกับมันนะมองได้เลยจิตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับมีอาการวกวนมีอาการคล้ายๆคลื่นแทรกที่เข้ามาบดบงัง ทัศนวิสัยทั้งหมดเลยเราจะเห็นลมหายใจอยู่มันกลายเป็นไม่เห็นเราจะมองความพุ่งสร้างอยู่มันกลายเป็นไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่เมฆหมอกที่เข้ามาบดบงังทัศนวิสัยเข้าใจพลอยนะคือพูดง่ายๆเมื่อกี้เนี่ยเราปักอยู่กับความสงสยัยมันเลยเห็นแต่อาการสงสยัยแล้วไม่ได้ดูความสงสัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงมันดูความสงสัยโดยการยอมให้มันเป็นกําแพงบดบงังทัศนวิสัยเวลาดูความสงสัย เป็นของไม่เที่ยงนี่ดูยังไงครับอ่าต้องก่อนอื่นต้องยอมรับตามจริงว่าเรากําลังสงสัยครับแล้วความสงสัยหน้าตาเป็นไงนี่อย่างเนี้ย <c oughs> เห็นไหมที่มันคลายออกไปเนี่ยเพราะเมื่อกี้มีอาการยอมรับไงบยอมรับว่าอยากรู้กําลังอยู่ในอาการอยากรู้เต็มที่พอพี่ชี้ไปแล้วเราเออรู้สึกว่ากําลังอยากรู้กําลังสงสัยอยู่มันคล้ายๆกับเอเ อ, เอลักษณะของความอยากรู้หรือความสงสัยเนี่ยมันเป็นม่านเป็นหมอก ที่บังใจอยู่พอถูกรู้ปุ๊บถูกรู้ด้วยอาการยอมรับนะไม่ใช่ถูกรู้ด้วยอาการพยายามอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็จะแสดงอาการล่องหนให้ดูเองสิ่งใดสิ่งหนึ่งถูกรู้นะสิ่งนั้นมันจะสลายตัวไปให้ดูครับแต่ที่ผ่านมามันไม่ได้รู้ไงมันพยายามที่จะทําอะไรอย่างหนึ่ง ไขความสงสัยแก้ความสงสัยหรือหาคำตอบมันไม่ได้รู้ตัวความสงสัยแต่พอยอมรับว่ากำลังสงสัยแค่ยอมรับเหมือนถามเหมือนเหมือนถูกพี่ถามว่ากำลังสงสัยอยู่ว่าเออมันสงสัยอยู่นี่แหละตัวนี้แหละรู้จริงๆตัวนี้แหละที่มันไม่มีอาการพยายามเพิ่มเติมครับพอ่อใหญ่ปล่อยนะ เข้าใจพอครับเดี๋ยวจะคงต้องกลับไปฟังแล้วก็ทำความเข้าใจอันนี้ขออีกคำคำํานึ่แต่จิต<า>เร า, าเปลี่ยนไป ค, คือเราจะเห็นได้เลยแม้แต่ระหว่างวันเราไม่ได้เจริญสติเนี่ยบางครั้งมันจะชัดมันครับบางครั้งมันก็จะเบลอเหมือนเดิมครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเบลออยู่เรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยบางครั้งมันชัดบางครั้งมันเบลอขึ้นมาเป็นห่วงๆวงครับพอดีช่วงนี้เลี้ยงลูกครับมี เพิ่งได้หนึ่งขวบแล้วก็ไม่ได้ทําในรูปแบบเลยแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากทุกข์ชัดมากเลยเห็นเห็นความทุกข์ชัดมากสิ่งที่ชัดเจนอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็มันไม่เบลอเลยเนี่ยความทุกข์เนี่ยก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคำถามท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจต้องเสียมารยาทขอญาตกับกับก่อนถ้าถามเสร็จนะไปไปดูรูปกันนี้ฝากฝากคุณแม่เขาไว้แอบมาแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งคือ ขอข อ, ขอคำแนะนําครับทําให้ทํำยังไงไม่ใช่ทามีอะไรปรับปรุงแนละ้วมันจะดีขึ้นบ้างครับคือที่น้องทําอยู่เนี่ยมันอยู่บนเส้นทางความเปลี่ยนแปลงจากไอ้ที่มันเบลออยู่ตลอดเวลาเป็นชัดขึ้นมาเป็นขนาดขนาดบ้างแล้วน้องก็แค่เปรียบเทียบนะว่าตอนที่มันเบลอน้าตามันเป็นยังไงมันมันจะมีความสึกเหมือนมีอะไรมาบังอยู่เรื่อยๆคล้ายๆกลุ่มเมฆเป็นก้อนๆเนี่ย ลามมา<น>ทางกายได้เลย ถ, <อะ S 2> ถ้าาดูเบลอไม่ทันนี่มาดูพวกสมองอะไรทางกายได้ไหมครับอาการเกร็งอาการอะไรอย่างเงี้ยครับอได้ไแต่ฝึกสมาธิแบบที่พี่ไกไปด้วยมันมันจะช่วยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่อย่างเมื่อกี้เนี้ยตอนที่เราทําไปเนี่ยแล้วมันมีความรู้สึกผ่อนคลายมีความรู้สึกโล่งขึ้นมาเป็นระยะระยะเนี่ยอันนั้นเป็นจุดเปรียบเทียบที่ดีเลยนะ คือถ้าหากว่าไม่มีจุดเปรียบเที่ยวของความตรงรุ่งอยู่บ้างเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าอาการที่เมฆหมอกโมหะมันเคลื่อนเข้ามาแล้วทึบทึบมากทึบน้อยอะไรต่างๆเนี่ยมันจะแยกไม่ออกที น, นี้มันจะเริ่มแยกออกเป็นครั้งแล้วก็ไม่ต้องไปหวังว่ามันจะก้าวหน้าทันทีหรือว่าเมฆหมอกมันจะหายไปทันทีนะเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาคิดอะไรคิดให้ตกอย่าคิดวนเพราะว่าเพราะว่า วิธีคิดของเราเนี่ยมันจะคิดแบบย้อนไปย้อนมาแล้วพอหาจุดสรุปไม่ได้มันชอบคิดแบบว่าเออให้ผานผันไปใช่ครับคือคือตรงเนี้ยพอสะสมมานานๆเข้ามันกลายเป็นแบบนี้แหละคือมันไม่ชัดเจนไอความไม่ชัดเจนเนี่ยเกิดจากวิธีคิดเกิดจากการสะสมวิธีคิดแบบนี้มา ค่ะเออเมื่อเมื่อคราวที่แล้วค่ะไม่เป็เาที่แล้วค่ะเอ่อปกษาี่ตุลนะคะเพราะตัวเองเป็นคนชอบชอบทบุญแลพี่ตุลก็บอกว่าคือเวลาทาบุญทุกครั้งตัวเองก็จะมีความความสุขเพิ่มขึ้นเงี้ยค่ะแต่ตอนหลังๆคือทาแล้วรู้สึกว่ามันโยมเฉยๆอะคะมันไม่มีความสุขเยู่มาก่อนพี่ตุลก็สอนว่าให้ ให้มีความสุขแบบอื่นที่มันมันสุขสุขยิ่งกว่านี้ก็คือการรู้สติตัวเองรู้ว่าอารมณ์ตัวเองตอนนี้เป็นยังไงดีใจเฉยเฉยอะไรเงี้ยก็ทำได้บ้างแต่ส่วนน้อยจะส่วนน้อยจะรู้แต่ชเมื่อกี้พอเราทำตามที่พี่ไกด์เรามีความสุขไหมค่ะมีค่ะคือมันมันโล่งมันใชความโล่งนั่นแหละคือความสุขแหละนะแล้วก็ ย่อมตอนที่เรารู้สึกถึงลมหายใจได้ครั้งสองครั้งแบบที่มันไม่วกแวกไปทางอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออแค่นี้แหละมันเป็นความสุขที่น่าพอใจแล้วนะ <Okay. S 2> การที่เราเลิกตะเวนไปหาอะไรข้างนอกแล้วก็อยู่กับความหยุดนิ่งภายในนะดยการสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นลมหายใจจะเป็นความไม่เที่ยงของลมหายใจหรือว่าแม้แต่ อารารู้สึกนึคิดก็ตามจนกระทั่งมันเกิดความรู้สึกสบายเกิดความโล่งขึ้นมาตรงนั้นแหละที่มันเป็นบุญใหญ่ที่สุดบุญเราไปทำที่วัดหรือว่าไปทำที่อะไรก็แล้วแต่ น, นะจะสถานสงเคราะห์เด็กหรืออะไรยังไงเนะี่ยมันเป็นแค่ความรู้สึกขึ้นมาว่าเออเรามีความสุขที่ได้ช่วยคนนะแต่ไอการเจริญสติการที่เรามาเห็นความไม่เที่ยง ในภาวะของใจใจนี้ได้เนี่ยแล้วเกิดอาการถอนจากอุปาทานถอนจากอาการยึดมั่นถือมั่นว่าจะเอาอะไรอะไรเข้าตัวตรงนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่มันนานกว่าและเป็นความสุขที่จะสละความเห็นแก่ตัวสละความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในตัวตวนออกไปเพราะรู้สึกว่าเออตอนที่กระแสะของใจมันมันเปิดมันแผ่ออกไปมันเป็นอันเดียวกันกับ ต, ตอนที่เราไปทาทานนึกออกหม ตอนที่เราทําทานเนี่ยก็แสทางใจมันก็ดินออกไปแบบนี้เหมือนกันมันก็มีอาการเปิดมันก็มีความสว่างแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยคนเป็นที่ตั้งต้องมีเป้าหมายของการรับทานเราถึงไปให้ทานได้ใน ต, ตอนเนี้ยเราไม่ได้ไปรบกวนใครนะเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วดูลมหายใจเข้าออกด้วยมุมมองแบบที่พระพุทธเจ้าอยากจะให้มองนั่นคือมันเข้าแล้วมันก็ต้องออกเดี๋ยวมันยาวแล้วมันก็ต้องสั้นนะ ถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยไปทำเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นจุดเริ่มต้นคือมันไม่ใช่ทั้งหมดของการเจริญสตินะแต่เป็นตัวกำลังเป็นทุนที่เราจะเอาไปใช้เจริญสติในระหว่งางใช้ชีวิตประจำวันนะหรือว่าตัวรู้กับตัวใช่ไหมคะอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยมัน มันเป็นภาวะพร้อมที่จะรู้ตามจริงคือตอนที่เรารู้สึกเหมือนกับภาพตัวตนของเรามนโนภาพของเราหายไปนะแล้วก็มีแต่ความรู้สึกโลง่ลงๆเหมือนเหมือนออกที่โลง่งนะแล้วก็มีลมหายใจพันเข้า่านออกให้ดูเฉยๆเราไม่ได้ไปยินดีนร้ายกับมันตัวตัวเนี้ยมันเป็นตัวพร้อมที่จะรู้อะไรก็แล้วแต่ที่มันกำลังจะมาปรากฏให้รู้ เช่นลมหายใจถ้ามันหยุดไปเราจะไม่ยินดียินร้ายแล้วก็ไปรีบเร่งให้ลมหายใจมันเข้ามาใหม่เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าพร้อมรู้แต่จิตผู้รู้จริงๆในความหมายของพระป่าเนี่ยนะอันนั้นเป็นความตั้งมั่นอีกแบบหนึง่งคือมันตั้งมั่นรู้อยู่เห็นอยู่ในขอบเขตของกายใจโดยไม่เคลื่อนไปไหนมันมันรู้โดยความเป็นสภาวะมันมันเป็นอีก ระดับหนึ่งที่ยกขึ้นไปแต่มันเริ่มจากไอ้นี่ความพร้อมที่จะรู้นะนี่เป็นกรรมฐานนะให้เราได้ไหมคะก็นี่แหละคืออนามานสตินี่คือกรรมฐานใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นะกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าขยันขยอแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นหัดเดินนะจนกระทั่งอยู่ในโพชฌงหรือว่าองค์ของการตรัสรู้ที่พระพุทธเจ้าให้สํารวจสังเกต ว่ามีองค์อะไรปรากฏขึ้นในเราแล้วบ้างที่เอื้อให้เกิดการตรัสรุธรรมบรรลุมรรคผลมีองค์อะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นบ้างว่าเราควรจะทําให้เกิดขึ้นต่อไปท่านให้สังเกตจากลมหายใจหมดเลยนะลมหายใจนี้มันมีสติไหมลมหายใจนี้มันมีความเพียรไหมลมหายใจนี้มีการพิจารณาธรรมไหมท่านให้ดูเป็นช็อตๆเลยนะว่าแต่ ล, ลมหายใจเกิดอะไรขึ้นปรากฏอะไรขึ้น ในในจิตของเราในสภาวะทางกายของเราอย่างตอนเริ่มต้นเนี่ยเราฝึกแค่ง่ายๆว่าขณะนี้เราหายใจเข้าอยู่หรือหายใจออกอยู่อย่างเมื่อกี้ที่น้องไปถึงก็คือนะเราหายใจอยู่เนี่ยมันมันมีความโล่งมันมีความว่างเราหายใจอยู่มันมีความสุขนะตัวนี้ก็คือตัวลมหายใจที่เป็นเครื่องบอก ว่าภาวะภายในภาวะของนามธรรมแบบใดที่กําลังปรากฏอยู่ในเรานะท่านก็ให้สังเกตอยู่อย่างนั้นแล้วว่าแต่ละลมหายใจภาวะเหล่านั้นเนี่ยมันแสดงความแปรปรวนให้เห็นหรือเปล่าเราสามารถเห็นได้ไหมว่ามันไม่เท่ากันไม่ไม่ใช่ระดับเดิมนะถ้าสามารถเห็นได้ตัวนี้แหละที่เป็นตัวรู้และยิ่งเรารู้มากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งผูกกันเป็นสมาธิมากขึ้นเท่านั้นนะความตั้งมั่นในการรู้ความตั้งมั่นในการเห็นนั่นแหละ ิผููร้รแต่ว่าตรง้ก็ไม่ต้องดูจริตของเราถูกไหมคะว่าเราเป็นจริตแบบไห น, นหรือว่าเอาตรงนี้เป็นฐานก็คือที่พระพุทเจ<ะ>้าพูดเองไง น, นะฉันใช้คำว่าจริตเนี่ยท่านบอกถ้าราคะจริตควรจะไปเจริญอสุภกรรมฐานถ้าโทสะจริตควรจะไปเจริญเมตตากรรมฐานนะเจริญจะแผ่เมตตาถ้าหากว่า เราเป็นคนพุ้งสั้นจัดนะควรจะไปทำให้จิตมีความหนักแน่นมีสมาธิแต่เรื่องบอกว่าจะดิตแบบไหนกรรมฐานแบบไหนที่เข้ากันเนี่ยมาพูดกันทีหลังเพราะพุทธเจ้าท่านเน้นอย่างเดียวต้องทำอาณาปานสติคนรุ่นหลังๆคือมากายเป็นพูดกันคนละทีสองทีนะบางคน ถึงกับขั้นที่บอกว่าถ้ามีราคะจริตไม่ควรจะไปเจริญอสุภกรรมฐานควรจะไปเจริญกรรมฐานของสวยของงา ม, มอย่างนี้ยังมีเลยนะมาพูดเป็นวงเงินข้ามกับพระพุทธเจ้าเลยอของน้องเนี่ยพูดง่ายๆนะถ้าเมื่อกี้เราทําสําเร็จแล้วถึงขั้นที่เรารู้สึกได้ว่าเออมันมีความรู้มันมีความนิ่งมันมีความโล่งว่างแล้วก็ ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการสามารถยอมรับอะไรอะไรตามจริงได้เนี่ยไม่ทําต่อนะแล้วมันจะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ติดตัวไปในชีวิตประจําวันอย่างในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกวันนี้บางทีมันยังสับสนอยู่ว่าจะจับอะไรจะรู้อะไรดีนะจะรู้อะไรกันแน่มันมันมันรู้บ้างไม่รู้บ้างแล้วก็ไอ้ความรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่สม่ําเสมอนั่นแหละมันทําให้เกิดความสงสัยว่าจะเอาอะไรตรงไหนดี ที่มันจะถูกที่มันจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็เอาตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนนะว่าเริ่มจากการเพราะความสามารถบ่มเพาะความสามารถที่จะรู้สึกถึงลมหายใจนะม า, มานั่งหลับตาก่อนมานั่งดูว่าเออมันทเท้าเกร็งไหมมือเตรงไหมหน้าเกร็งไห ม, หไหมแล้วก็พอมีความพร้อมแล้วแล้วเราก็มาสำรวจสังเกตดูใจร้อน ของเราใจเย็นลงมาเยอะแล้วแต่ก่อนเนี่ยใจเป็นคนใจร้อนนะนีถ้าเราเริ่มใจเย็นเนี่ยมันจะเหมาะที่สุดกับการเจริญสติเพราะการเจริญสติคือการใจเย็นเห็นไปทีละช็อตจนกระทั่งรู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับการเห็นในปัจจุบันได้จริงๆมันกลายเป็นนิสัยแบบใหม่นิสัยทางจิตที่จะพอใจรู้อยู่กับปัจจุบันแต่ก่อนเราอาจจะวิ่งไปไหนก็ไม่รู้นะอนาคตหรือว่าอดีต ซึ่งมันไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันกับการจเจริญสติมันทําให้เราเสียสติแต่เมื่อไหร่ที่เราพร้อมที่จะอยู่กับปัจจุบันเป็นช็อตๆไอ้นี่แหละตัวนี้แหละที่จะเครื่อกูลให้เกิดสติเพามันเป็นพวกเดียวกันนะกับการที่ทําให้สติจเจริญขึ้นที่ผ่านมาผมใช้การบริกรรมเป็นเครื่องอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับทำมาได้ประมาณปีกว่า ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารู้สึกมันไปติดอยู่ว่างๆนิ่งๆก็เลยมีบางวันพยายามที่จะเหมือนกับลองไม่เป็นนึกถึงคําบริกรรมมันก็กลายเป็นว่าวันนั้นมันก็หลงยาวอะครับก็เลยยังมันถึงช่วงที่รู้สึกว่ามันไม่มีการมันไม่มีพัฒนาการมาหลายเดือนนะครับพัฒนาการเนี่ยบางทีมันไม่ได้มาในรูปของการที่ รู้เห็นอะไรที่มันแตกต่างไปนะมันรู้เห็นของเดิมนั่นแหละแต่ว่าไอการรู้เห็นของเดิมนั้นมีคุณภาพมากขึ้นอย่างน้องบริกรรมมาจนกระทั่งมันมันถึงความว่างได้เนี่ยก็บริกรรมต่อไปแสดงว่าบริกรรมเนี่ยได้ส่วนได้สัสดส่วนที่ถูกต้องมันถึงมีความสงบมันถึงมีสติอยู่กับตัวได้ point คือว่าเมื่อเกิดความสงบเมื่อเกิดความว่างขึ้นแล้วเราจะดูอะไรต่อตางหาก คือไม่ใช่บอกว่าไปโทษว่าไม่มีความคืบหน้าเพราะว่าเรามัวแต่บริกรรมบริกรรมเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้ น, นที่ช่วยให้เจตมีความพร้อมรู้แต่พร้อมรู้แล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีมุมมองในการสังเกตที่ชัดเจนนะครับใจจสิ่งที่จะสังเกตไ ด, ไดง้ง่ายๆนะ ตอนที่เรารู้สึกว่างๆเนี่ยมันมีอาการควานหาหรือเปล่าเข้าใจคำว่าควานหาไหมของเราเนี่ยพอว่างเนี่ยมันไม่ว่างจริงนะมันควานหาเข้ามามไม่จะรู้อะไรดี ค, รคือคล้ายๆกับว่าเราไปดักไว้ไว้ไวอยู่ก่อนว่าเนี่ยพอว่างแล้วเนี่ยมันต้องรู้เห็นอ น, นิจจังคือคือเราไปจินตนาการถึง สภาพที่แสดงความไม่เที่ยงขึ้นมาภายในให้ตรงกันกับสิ่งที่เขาเรียกกันว่าวิปัสนาญาณเกตใช่มไหม ค, ค, คือเรารับรู้เรียนรู้ไว้ก่อนว่าวิปัสนาญาณเป็นยังไงแล้วเราก็ไปจินต น, นาการเอาว่าเนี่มันจะต้องแสดงไอ้ความไม่เที่ยงของความคิดอย่างนั้นอย่างนี้นะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนี่สภาวะที่มันปรากฏต่อหน้าต่อตาเนี่ย เรามองข้ามไปอย่างเช่นอาการควานเนี่ยที่พี่พูดถึงเนี่ยะมันมันมีอาการเหมือนมองเข้ามาข้างในาแล้วเอ๊ะมันไม่เห็นมีอะไรไม่รู้จะดูอะไรให้มองมันก็เลยเกิดความรู้สึกติดขึ้นมาติดขึ้นมาว่าที่ความว่างเนี่ยมันจะต้องมีอะไรต่อเข้าใจใช่ไหมเนี่ยมันมันมาเป็นชดชดจริงๆรแล้วสภาวะธรรมเนี่ยปรากฏแล้ว แต่เราไม่ได้มองเรานึกว่าจะมีอะไรปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บกระพริบกระพริบแพ้เาดูถึงจะนิยามว่าแสดงความไม่เที่ยงแท้ที่จริงพอน้องบริกรรมมาจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเออไม่มีอะไรเหมือนกับปรง่รงๆล่งๆไปเนี่ยนะดูว่ามีอาการยังไงของใจตามมาพอมีอาการควานนั่นแหละแสดงความไม่เที่ยงของความว่างแล้ว คือความว่างมันว่างอยู่ดีๆเนี่ยมันแปรปรวนไปเป็นอะไรแปรปรวนไปเป็นอาการลังเลสงสัยเวลาพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานพอถึงออ่ธรรมานุ ป, ปัสสนาเนี่ยนะท่านให้ดูดับดูอย่างนี้แหละเวลาความสงสัยมันโผล่ขึ้นมาให้รู้ว่าความสงสัยเกิดขึ้นมาแล้วความสงสัยพอถูกรู้มันหายไปท่านก็ให้รู้ว่าความสงสัยหายไปจา ก, กจิตแล้วเหมือนอย่างเนี้ยตอนเนี้ย พอเราเกิดความเข้าใจเนี่ยมันเหมือนเออจริงด้วยเราเห็นมาตั้งหลายครั้งใ้สภาวะความสงสัยแต่เราไม่ได้ดูโดยความเป็นสภาวะเราดูโดยความเป็นของจริงนึกว่าเนี่ยตัวเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้เกิดการเล็งการเห็นวิปัสนาแบบวิปัสนาทําให้เกิดวิปัสนาญาณอะไรตามมาแต่แท้ที่จริงไม่ใช่มันคือการแสดงความไม่เที่ยงของความว่างแงหกัก แล้วก็อย่างบางทีเรามีอารมณ์หนึ่งที่ว่าเวลาจะพูดเล่นอย่างเงี้ยเราเราจะคล้ายๆไม่สบายใจอยู่อ่อนๆเหมือนกับว่าเอ๊ะพูดเล่นแล้วเดี๋ยวมันจะหลงไบหรือเปล่ามันจะฟุ้งซ่านมันจะเสียสมาธิมันจะโน่นนี่นั่น แต่ขนาดเดียวกันแรงดันจากข้างในเนี่ยมันก็ยังมีนะคือมันก็รู้สึกว่าไอเนี่ยต้องปฏิสังสรรต้องพูดอะไรกับผู้คนเล่นนิดเล่นหน่อยแต่อารมณ์ของเรามันจะไม่สุดสังเกตเนี่ยตอนตอนที่เรายังไม่ได้มาฝึกตอนที่เรายังไม่ได้อะไรเนี่ยเวลาปล่อยมันก็เล่นเต็มที่แต่ตอนนี้มันจะเหมือนครึ่งครึ่งกลางกลางเจ้าหัวราอสุดก็ไม่ใช่ จะสนุกจริงๆก็ไม่เชิงนะมันมันมันมีอาการยั้งยั้งอยู่เบรกเบรกอยู่ก็ดูตัวเนี้ยเห็นไหมตัวตัวมีมีหลายตัวที่เราสามารถดูได้ในรองวันสิ่งที่มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วเราสามารถสังเกตได้ว่าเออมันเกิดขึ้นบ่อยจริงๆตัวนี้แหละที่มันจะเป็นสภาวะเนี่ยเห็นไหมมันมันค่อยมีความปลอดโปร่งขึ้นมันมีความสูงเหมือนทะลุอะไรบางอย่างออกไปที่มันติดอยู่นะไม่ว่าจะ รู้สึกติดขัดไม่ว่าจะรู้สึกครึ่งๆกลางๆกับภาวะไหนก็แล้วแต่ดูตัวนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยของเรามันเหมือนอ่บคือมันตัวเรามันเป็นฆราวาสแต่เราใจเรามันอยากเป็นพระทําตัวเรียนแบบพระนะซึ่งมันก็โอเคส่วนหนึ่งมันก็ดีมันมันทําให้ชีวิตฆราวาสเนี่ยไม่สูญเปล่ามันมันเหมือนกับได้ ตั้งต้นเป็นพระตั้งแต่ยังไม่บวชนะแต่ในอีกทางหนึ่งคือเราจะรู้สึกครึ่งครึ่งกลางๆอยู่กับหลายๆเรื่องมันมันไม่สุดนะบางทีอย่างได้เงินมาใจหนึ่งก็ดีใจแต่มันก็ไม่สุดคือมันก็เอมันจะเดี๋ยวกลายเป็นติดกลายเป็นอะไรโน่นนี่นั่นหรือเปล่าเนี่ยนะนะมันครึง่งครึง่งกางๆอยู่ตลอดหลายเรื่องในหลายๆเรื่องนะก็ เวลาดูเนี่ยดูด้วยอาการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นครับดูด้วยอาการเหมือนกับเอาง่ายๆอย่างอย่างเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งสมาธิตามที่พี่ไกด์ไปเนี่ยมันก็ครึ่งๆกลางๆแนะมันมันเหมือนกับจะผสมผสมแต่ไอสิ่งที่เราทําอยู่แล้วกับไอที่ว่าจะทําตามที่อะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอารมณ์ครึ่งๆกลางๆ พอไปปฏิบัติสมาธิหรือว่าเจริญสติอะไรก็แล้วแต่พอมีอาการครึ้งครึ้งกลางก ล, ลางแบบนี้เราก็รู้ว่าเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่ไม่สุดมันรู้ไม่สุดนะตัวที่มันจะแสดงความไม่เที่ยงเป็นตัวแรกเนี่ยก็คืออาการที่เรารู้สึกค า, าคาครึ้งคร่งางกแล้วมันคลายตัว เหมือนกับที่เราคุยกันเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นมาเป็นบูบๆเนี่ยนะอืมตัวนี้แหละที่เรียกว่าอนิจังตัวนี้แหละที่เรียกว่าเราเห็นสภาวะต่อหน้าต่อ ต, อตา okay. สวัสดีค่ะคือพบว่าจุดอ่อนของตัวเองคือเป็นคนคิดเยอะอ่ะค่ะฟุ้งซ่านแล้วก็ระหว่างดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยยังจเจริญสติเหมือนมันมันยังจะไปง่ายๆอ่ะค่ะ แล้วก็แบบเหมือนมันยังไม่เต็มร้อยสทีอะค่ะมันยังลังเลไม่ทุ่มเทเต็มที่อนะไรเงี้ยสิ่งที่เราสิ่งที่เกิดขึ้นเราจริงจริงเนี่ยนะมัน มันไม่ใช่ความพวงซ่านอย่างเดียวมันเป็นอาการกระวนกระวายคือมีนิสัยที่ว่านิสัยทางจิตที่ว่าถ้าอยากได้อะไรแล้วยังไม่ได้อย่างใจเนี่ยมันจะกระวนกระวายไม่หยุดเห็นใช่ไหมเวลาที่สมมติแม้กระทั่งเราคิดเรื่องการภาวนาก็ตามถ้าใจนึงมันอยากไปเล่นอีกใจนึงมันอยากภาวนาเนี่ย แค่นี้กระวนกระวายแล้วตอนตอนเล่นนี่มันจะเอ้ยเราทําผิดอะไรหรือเปล่านั่นแหละนะดูตัวกระวนกระวายเวลาเกิดความกระวนกระวายขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเสียความเป็นตัวของตัวเองไปไมันจะนึกอะไรไม่เคอยออกเพราะมัวแต่ไปติดอยู่กับพายุความกระวนกระวายนะ ไม่ว่าจะในเรื่องไหนก็ตามจะเรื่องทางโลกหรือเรื่องทางธรรมก็ตามตอนที่เราคุยกับใครแล้วไม่รู้เรื่องคือเขาจะไม่ฟังเราเลือจะอะไรก็แล้วแต่เราเกิดความว้าวุ่นใจเกิดเกิดโทสะเกิดความคิดในแบบที่อทําไมมันอย่างง้นอย่างเงี้ยมันมีคําด่าขึ้นมาเป็นแปบ๊บแปบ๊แปบแบเงี้ย น, นะแต่เ อ, อ, อยู่ต่อหน้าต้อง ไม่เป็นไรค่ะนะไ อ, ไอแบบเนี้ยเราก็ดูความขัดแยง้งมันจะมีความอึดอัดความกังวลกระวายในแบบร้อนๆหรือมีคำด่าแทกแซมมาในระหว่างที่เราต้องยิ้มต้องอะไรเนี่ยตรงนั้นนะมันก่อให้เกิดความอึดอัดเราเราจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเป็นบูบๆถ้าเรามองเห็นด้วยาการยอมรับถึงถึงสิ่งเหล่านี้เพราะมันเกิดขึ้นบ่อยนะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือการปฏิบัติที่ดีคือยิ่งเราเห็นมากเท่าไหร่เราจะยิ่งรู้สึกอย่างเนี้ยมันมันสงบมันเย็นมันเย็นลงทันทีมันเหมือนกับมีน้ําเย็นมาเนี่ยที่เรารู้สึกอยู่เนี่ยมัเหมือนมีน้ําเย็นลูกลูกใจเราก็เห็นต่อไปว่าเนี่ยอาการเย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยอยู่ๆมันไม่ได้เย็นขึ้นมาเอง แต่เป็นเพราะว่าความกระวนกระวายเกิดขึ้นแล้วเราสามารถเห็นยอมรับตามจริงแล้วรู้สึกถึงเอ่ความเปลี่ยนแปลงของความกระวนกระวายแลระดับความกระวนกระวายมันลดลงลระดับความอึดอัดมั น, ม, นมันลดลงให้เห็นด้วยอาการยอมรับไม่ใช่ด้วยอาการพยายามไปแข่งขืนกับมันหรือไปพยายามแทนที่มันนะที่ผ่านมาเราเรารู้เกือบถูกแล้วว่า แต่ว่าเห็นไหมความกังวลกระวายมันไม่ได้หายไปตอนที่เรารู้เพรามันอยู่ที่ตรงนี้เราไม่ได้ยอมรับมันไม่ใช่ด้วยอาการยอมรับแบบนี้อย่างนี้เขาเรียกว่ายอมรับไอ้ตอนนั้นมันไม่อยากยอมรับมันอยากจะสงบทันทีมันไม่อยากมีความทุกข์ตัวที่ไม่อยากมีความทุกข์ไม่อยากจะกังวลกระวายนั่นแหละตัวนั้นแหะที่ทาให้กังวลกระวายต่อ ต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงคือความอยากแม้กระทั่งอยากหายทุกข์ก็คือต้นต้นเหตุของความทุกข์นะจาไว้เป็นเป็นพอยท์ที่จะสังเกตก็แลวกันว่าเรารู้จริงหรือไม่รู้จริงถ้ารู้จริงมันจะมีอาการยอมรับถ้าไม่รู้จริงมันจะมีอาการอยากนะ ถามน่อยนะ่คะคือต้องต้องเท้าความนิดนึงว่าปกติจะเป็นคนที่ไม่เคยนั่งสมาธิเลยอะคะ่ะตั้งแต่เด็กก็คือเน้นการทำดีอาจจะเน้นทำทานมากกว่าทำบุญด้วยซ้าเพราะว่าที่บ้านจะสอนมาว่าคือขอแค่ทำดีทำยังไงก็ได้แต่ว่าพึ่งเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือพึ่งเสียลูกไปอะคะ่ะแล้วก็มีคนแนะนำว่าท่านั่ง สมาธิจะช่วยส่งถึงเขาได้ค่ะก็ <prisons> มีส่วนเพราะว่าตอนเขาอยู่ในท้องเหล่าเก้าเดือนเนี่ยนะจิตวิญญาณมันผูกพันกันโดยไม่รู้ตัวการที่เรามีความสุขหรือว่าการที่เรามีความคิดแบบใดๆก็แล้วแต่ระหว่างที่ตั้งท้องเนี่ยนะมันส่งผลสะเทือนไปถึงจิตวิญญาณเขามันก็เลยเกิดเป็นความผูกพันนะเช่นกันคือเมื่อ เขาไปแล้วนะเขาเขาไปจากสภาพที่จะจับต้องได้ที่จะมาติดต่อพูดคุยกันได้เนี่ยมันก็เหลืออยู่แต่ความผูกพันที่มันเป็นสายใหญ่ที่เคยที่เคยเราเคยเลี้ยงเขามา้วยร่างกายของเราเองนี้เพื่อที่จะให้มันมีการ ือนีดนนะคคือเขายังไม่ได้ออกมาคือเป็นแสืด้วยสมเออครับแต่ว่ามีคนที่นั่งสมาธิจะได้แบบทําบุญนะครับแต่ว่าแบบไม่รู้จะเริ่กติดโอเคอย่างเมื่อกี้เนี่ยคือพอ เ, อ, อเราทำตามที่ผมไกด์ไปอย่างเงี้ยนะมันมันเหมือนมันเหมือนคอยคิดคอยคิ ด, คคดถึงลูกอะ จิตมันมันไม่ได้อยู่กับสมาธิจริงๆตัวนี้เป็นอันดับแรกเลยที่ต้องทำความเข้าใจถึงแม้ว่าเราจะมีเจตนาในการทำสมาธิอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าใจมันไม่อยู่กับภาวะที่เป็นปัจจุบันมันไม่มีทางสงบมันไม่มีทางตั้งมั่นไม่มีทางเกิดคุณภาพของสมาธิขึ้นมาได้ น, นั้นอันดับแรกเลยก็คือเมื่อนั่งสมาธิเราต้องบอกตัวเองว่าทัานใด ที่เราจะเกิดความประวัติคิดไปถึงสิ่งอื่นภายนอกตัวเราต้องรู้ตัวให้ทันในทันทีรู้ว่าเนี่ยใจใจมันคิดไปถึงลูกแล้วนะพอรู้สึกเออใจคิดไปถึงลูกมันจะเห็นเป็นภาพทางใจนะภาพทังใจก็คือรู้สึกว่ามีความหมดหมดมีความรู้สึกเหมือนกับปรารถนาให้เขา ได้อะไรดีๆนับเป็นความปรารถนาในแบบที่ว่าอยากให้เขามีความสุขด้วยความทุกข์ของเราเข้าใจไหมคืออยากให้เขามีความสุขแต่ใจเราอะเป็นทุกข์พอพอเราเห็นภาพทางใจอย่างนี้มันจะได้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามุมมองที่ถูกต้องที่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าเราอยากจะให้เขามีความสุขโดยปีมือของเรา ใจเราต้องเป็นสุขให้ได้ก่อนถ้าใจเราไม่มีความสุขถ้าใจเราไม่มีความสว่างถ้าไม่มีความเปิดกว้างเราส่งอะไรไปมันก็ได้อย่างนั้นแหละจิตของเราเวลาที่เศร้ามันจะมีอาการปิดแคบเรานึกถึงลูกลูกก็ได้ความรู้สึกปิดปิดแคบแคบเรามีอาการยึดมั่นถือมั่นเศร้าโศกอะไรเวลาเราส่งไปมันก็คือความเศร้าโศกอะไร มันไม่ใช่ความสุขมันไม่ใช่บุญต่อเมื่อเรามองเข้ามาเออเนี่ยตอนเนี้ยฝ่าเท้ามันผ่อนคลายนะฝ่ามือผ่อนคลายนะทั่วทั้งใบหน้านี่สบายรู้สึกว่าเออมีความสุขจังเลยมีความสุขกับร่างกายตัวเองก่อนแล้วเห็นว่าเออในความสุขของร่างกายที่มันผ่อนพักเนี่ยมีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่เน้อใจเราไม่ไปไหนมันมีความสดชื่นอยู่กับความ เป็นลมหายใจที่มันเข้าที่มันออกเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกว่าเออใจเราเนี่ยยิ่งสะอาดขึ้นทุกทีเมื่อเห็นว่าลมหายใจมันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นแค่ธาตุลมเดี๋ยวผ่านเข้าเดี๋ยวผ่านออกเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็สั้นเลิกยึดมั่นถือมั่นแบบปิ ด, ปดว่านี่เป็นตัวของเราลมหายใจเป็นของเราจิตที่มันสว่างขึ้นในขณะนั้นคือการฟ้องว่าบุญมันถึงจุดที่ สูงสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้บุญเนี่ยนะทำความเข้าใจสมัยมันมีอยู่สามอย่างบุญนั้นเกิดจากการทำทานทำทานจะทำทานคนยากจนหรือว่าไปทำสังฆทานที่วัดก็แล้วแต่บุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลคือรักษาใจให้สะอาดจากปราศจากเวรปราศจากการเบียดเบียนนะ ก็บุญยี่สูงที่สุดในพุทธศาสนาคือบุญที่สูงที่สุดที่พุทธศาสนาชี้ไว้ว่ามีตามธรรมชาติก็คือบุญอันเกิดจากการละละอุปทานออกไปด้วยการภาวนาการภาวนาคืออะไรคือการเห็นตามจริงอย่างนี้แหละว่าลมหายใจมันไม่ใช่ของเราความสุขความทุกข์ความอึดอัดความสบายที่มันปรากฏในแต่ละลมหายใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วต้องดับลงเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ใความรู้สึกว่ามีตัวตนที่ครอบงามจิตใจอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันก็หายไปจากใจเราชั่วขนาดหนึ่งชั่วขนาดนั้นน่ที่เกิดบุญขั้นสูงสุดเวลาที่เรานึกปรารถนาจะให้บุญที่มันเกิดขึ้นณนะเวลานันเนี่ยได้กับใครมันจะได้จริงมันจะถึงจริงคือมันจะมีพลังกระเทือนมากพอบุญเนี่ยเป็นพลังชนิดหนึ่งเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่เป็นนมามธรรม มันไม่ถูกบรรจุไวนะ้ในรูปทรงแบบใดแบบหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรไปขวางกั้นมันได้ถ้าหากว่าเราทำให้มันปรากฏขึ้นในเราได้แล้วเนี่ยเราจะปรารถนาส่งไปถึงใครมันส่งได้ข้ามภพข้ามภูมิไม่จำกัดเนี่พอยต์ก็คือว่าทำยังไงเราถึงจะ ไปถึงตรงนั้นได้นะอันดับหนึ่ง เ, เดี๋ยวท่องไว้อีกทีหนึ่งคื อ, อพอเริ่มนั่งเนี่ยสัมโหนเท้ามือแล้วก็ใบหน้าอันดับสองคือดูว่าจิตใจของเราเนี่ยมีความกระวนกระวายเรื่องลูกหรือเปล่านะพอเร า, ารู้สึกว่ามันคิดถึงลูกอยู่ยอมรับตามจริงว่ามีอาการแบบไหนจิตมันหดหดจิตมันมีอาการเศร้ า, ามีอาการเาเหมือนกับคิดถึงอะไรอาวร์อะไรต่างๆเราเห็นด้วยอาการยอมรับตามจริง ว่ามันมีลักษณะอย่างไรพอเห็นแล้วเนี่ยมันจะคลายออกไปให้ดูเราก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยภาวะนั้นไม่แตกต่างกับลมหายใจที่เข้ามาและต้องออกไปเป็นธรรมดาแต่ไม่งั้นเนี่ยเราจะมีแต่อาการยึดอยู่ว่าความโศกเศร้านั้นคือของจริงคือตัวเราคือสิ่งที่จะต้องติดตัวเราไปยนต์ตายเคยรู้สึกไหมมันไม่มีทางหายเศร้าได้หรอกแต่ถ้าหากว่าเรามานั่งดูทีละลมหายใจเนี่ยเราจะรู้ได้เดี๋ยนี้เลย ว่าแม้กระทั่งความเศร้าเนี่ยก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจแต่ตอนแต่ตอนที่เศร้าแบบมันมันเค้นจิตเค้นใจเรามากเนี่ยเราจะรู้สึกเนี่ยไม่มีทางหายเราจะจำไอ้ความเศร้าแบบนี้ไปจนตายนี่คือความเข้าใจผิดแะการที่พระพุทธเจ้าให้ฝึกอาณาปานสติก็เพื่อที่จะถอดถอนความเข้าใจผิดแบบนี้แหละไม่ว่าเราจะสุข หรือเศร้าแหนมันมันจะชอบคิดเวลามีความสุขเนี่ยเอออยากสุขแบบนี้ไปจนตายแล้วความสุขแบบนี้คงไม่เปลี่ยนแล้วในเวลามีความเศร้ามันก็ย้อนกลับไปในฐานของข้ามนี้พอเรามาดูทีละลมหายใจเออสุขเนี่ยแต่ละลมหายใจมันเท่ากันไหมเวลาคิดถึงลูกขึ้นมาเหมือนเงโอ้โห อย่างบางบางทีเนี่ยเราเสวนมนทําสนะมาที่ไปบางทีมันมีความสุขเนี่ยพอคิดถึงลูกปุ๊บคล้ายๆโดนจู่โจมคล้ายๆมีอะไรกัดแบบงับเข้ามาแล้วก็รู้สึกเสียใจอย่างรุนแรน ง, งทันทีเนี่ยถ้าเราไม่ปล่อยสติให้มันหลงไปตามความเศร้าแต่มีสติรู้ทันว่าเนี่ยภาวะหนึ่งมันเปลี่ยนไปเป็นอีกภาวะหนึ่ง จากภาวะสุขอยู่ดีๆมีความสบายอกสบายใจอยู่กับการภาวนาดีๆนึกถึงลูกปุ๊บมันโดนเหมือนมีอะไรมากัดที่ตรงนี้ทันทีเห็นเป็นภาพทางใจรู้สึกว่าเออมันมีอะไรให้ดูดูความไม่เที่ยงดูความเป็นของเปรียบเทียบระหว่างสว่างกับมืดระหว่างออปล่อยสบายกับโดนกัดกินนะะ ภาวะตรงข้ามที่มันแสดงตัวอยู่ชัดๆโดยเฉพาะอย่างในช่วงที่เรากําลังรู้สึกถึงการสูญเสียอย่างนี้เนี่ยมันมักจะสวิงเวลามีใครมาปลอบใจเออลองใจได้นิดนึงแล้วเสร็จแล้วมันก็กลับไปเศร้าอีกแล้วเราจะไปเชื่อว่าความเศร้านั้นคือของจริงตัวความสุขเป็นของปลอมเพราะความสุขเนี่ยมันแป๊บเดียวความเศร้ามันนานกว่าแต่ถ้าเราเปรียบเทียบทันทีที่มันกําลัง ปรากฏความแตกต่างกันเอกอุกปทานตรงนั้นมันจะหายไปมันจะกลายเป็นการเห็นความจริงว่าสุขก็ไม่เที่ยงทุกก็ไม่เที่ยงเข้าใจพลอยนะนล่ตรงนี้แหละที่เป็นบุญสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้จริงๆนะสวัสดีค่ะพี่ตุลเป็นการถามครั้งแรกนะคะก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะมาก็ประมาณสามสี่ปีนะคะ ก็จากที่สนใจการปฏิบัติของตัวเองก็คือจะมีการไปเข้าคอร์สทุกปีอะคะ่ะก็คือเหมือนไปปีกวิเวกแล้วก็ชีวิตประจําวันก็คือจะรักษาสิน5้าแต่ในรูปแบบนี่คือไม่ไม่ค่อยได้ทําเลยะคะ่ะก็คือแค่ก่อนนอนก็คือตามลมหายใจแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ในชีวิตประจําวันก็จะมีทําความรู้สึกตัวบ้างแต่ก็ไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่า งานค่อนข้างเยอะอะค่ะมันมันจะยุ่งวุ่นวายทั้งวันแล้วก็ผัสสะกระทบค่อนข้างมากบางทีก็ตามอารมณ์ได้แต่ส่วนมากถ้าเจออารมณ์แรงๆก็ก็หลุดนะคะคือไม่หรอกมันอย่างนี้นะโดยโดยพื้นทางจิตใจของเรามาเนี่ยคือต่อให้ไม่มีอะไรกระทบมันก็กระทบตัวเองได้มันมันมีอะไรเปรี้ยงตั้งอยู่ในความคิดได้เรื่อย เข้าใจคำ ว, ว่าเปลี่ยงแป้งใช่ไหมเหมือนฟ้าผ่าอยู่ข้างในอะ่ะของของเราเนี่ยจะเป็นแบบนั้นนะมันแต่แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากที่เรามาสนใจธรรมะเนี่ยมันมีอีกกระแสหนึ่งที่มันแตกต่างไปนะมันจะมีความรู้สึกว่าบางทีเนี่ยบางชั่วโมงนี่เหมือนไม่ฟ้าเลยนะเย็ยนเยน็ยนสบายสบา ย, บายรู้สึกว่าข้างในไม่มีอะไรแล้วแล้วมันเกิดความรู้สึกขึ้นมาเป็นบู้บู้บบบว่าแบบว่า นี่เราจะเราเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะไม่กลับไปเป็นคนโมโหง่ายอะไรอีกแล้วแต่เสร็จแล้วพอมีหมากปราบเซียนมากระทบเนี่ยเราก็เน <ไป S 2> อ, อตายเลยนะคือมันได้เห็นตัวเองว่ามันมันยังไม่ได้เป็นแม่พระจริง<ช>เป็นแม่เพล ะ, <laughs> น, ะนีมันมันมันเหมือนแตกกระจายออกไปโดยที่เราเราก็จะเสียใจ แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรานึกว่าเราไม่เป็นแบบนี้แล้วอะ่ะแต่มันยังเป็นอยู่<ช>เนี่ย<ช>ตัว<ช>ตัวเ น, นี้ยคือถ้าเราตั้งมุมมองไม่ยังถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่ไปเสียใจแต่เหมือนกับพี่พูดก่าน้องเนี่ยว่าคือแทนที่เราจะไปเข้าใจผิดไว้เนี่ยมันมันต้องเกิดขึ้นตลอดไปตอนที่เรารู้สึกดีแล้วเนี่ยนะตอนที่เรารู้สึก ระวางรู้สึกมีเมตตาอะไรเนี่ยไปยึดวพราะเนี่ยเป็นของเราตรงนี้มันก็ไม่ใชนะ่แล้วแสดงความไม่ใช่ผ่านเหตุการณ์นะที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตใจแล้วเกิดปฏิกิริยาที่เราไม่สามารถห้ามตัวเองได้หยุดไม่อยูนะ่ตัวนี้ถ้าน้องออต่อไปเนี่ยคือตั้งมุมมองทำใจไปเลยว่า ทั้งตัวแม่พระทั้งตัวโมโหล้ายอะไรเนี่ยนะมันเป็นภาวะที่อาจจะอ่าอย่างอย่างภาวะที่มันเดียๆอาจจะตั้งอยู่นานได้แต่อย่าคิดว่ามันจะตั้งอยู่ตลอดไปคือให้คิดอ่ว่าเนี่ยมันจะตั้งอยู่นานนะอาจจะตั้งอยู่นานหน่อยเพราะว่าเราเต็มใจให้มันเป็นอย่างนี้เราสมัครใจเลือก ต, ตัวตนใหม่แบบนี้นะ มันมันถึงอยู่ได้นานหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเปลี่ยนเราถือเป็นโอกาสที่จะได้รู้ว่าสภาวะทางใจแบบนั้นมันไม่เที่ยงอย่างเมื่อกี้ตอนที่นั่งสมาธิตามที่พี่ไกยเนี่ยคือมันมีความคิดวุ่นวายนะมันมันมีความพยายามจะทาตามที่พี่พูดนั่นแหละแต่ว่า ก็มีใจหนึ่งเราทำไม่ได้เรามันยังงดอย่างนงี้คือมันมีอะไรจุกจิกจุกจิกขึ้นมาแบบคนที่เคยมีอกติกับการนั่งสมาธิอะเพราะว่านั่งมาไม่สำเร็จแล้วมันมีความคิดรบกวนเคยเคยมีความคิดรบกวนยังไงเนี่ยมันก็กลายเป็นมันย้อนมาทุกทีนะถ้าถ้าบางทีสงบมันก็จะหลับไปเลยค่ะถ้านั่งสมาธิอะค่ะมันส่วนมากมันจะหลับไปมากกว่า ที่หลับเนี่ยสาเหตุเพราะว่าเราอยู่กับความเคลิมอยู่กับอาการที่มันน่าพอใจคือมันสบายสบายสงบสงบแล้วเนี่ยเราเรารู้สึกว่าเออมันดีจังแล้วเสร็จแล้วก็เลยเลยติดอยู่กับภาวะตรงนั้นจนกระทั่งหลับนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราค่อยๆมองค่อยๆฝึกคือต้องต้องสวนแก ติแบบเดิมนิดหนึง่งนะทำอาคติไม่ใช่ไปคิดร้ายไม่ดีอะไรมากมายแต่หมายถึงว่าทัศนคติที่เรามีต่อสมาธิเนี่ยเราต้องปรับใหม่ว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ตั้งหลักสร้างทุนเพื่อที่จะเอาสติมาใช้ในชีวิตประจำวันนะเดิมเนี่ยเรามีแค่การทำใจ เหมือนกับเหมือนกับไปทําบุญไปอะไรมาฟังคําสอนอะไรมาเนี่ยเราก็สวดมนต์แผ่มเมตตาอะไรอย่างเงี้ยนะของเราจะถนัดแบบนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยเอากระแสของการแผ่มเมตตาเออไอความคิดดีๆหลังสวดมนต์เนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเออเรารักษาให้มันดีอยู่อย่างนั้นซึ่งมันก็จะแค่รักษาให้ดีทําใจแต่ไม่ใช่เห็นอะไรตามจริง อย่างที่มันกําลังปรากฏมันแตกต่างกันนะตอนที่เราจาระดรักษาภาวะดีๆไว้เนี่ยมันต้องอาศัยกําลังใจที่จะไม่ให้มันเคลื่อนไปสู่ภาวะไม่ดีแต่อย่างตอนที่เราเจริญสติแล้วเห็นภาวะที่มันปรากฏตามจริงเนี่ยเวลาที่ไม่ดียอมรับว่าไม่ดีเวลาเปรี่ยงปรางอะไรขึ้นมาเออนี่จิตมันแสดงความไม่เที่ยง ของความสุขให้ดูหรือว่าตอนที่มันเย็นเย็นมันนิ่งนิ่งมันมีเมตตามันเหมือนกับอยากจะยิ้มมันเหมือนอยากจะช่วยคนทั้งโลกอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยนะก็ให้เห็นว่า น, นี่เป็นการแสดงความไม่เที่ยงของโทสะเข้าใจใช่ไหมว่าหลักการดูเนี่ยมันก็คือมุมมองที่เราจะดูเข้ามาที่ข้างในนั่นเองแค่ตั้งมุมมองไม่แตกต่างเนี่ยมันเปลี่ยนจากสวรรค์เป็นนิพพานได้เลย ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมคำถามมาแล้วก็เพิ่งเห็นสเตตัสของพี่เมื่อเช้านี้ใน Facebook ก<ม>็เลยโพสเข้ามาว่าขอขาาในไหนก็ามาแลก <c oughs> คิดว่าโชคดีที่ว่าได้ได้มีโอกาส มันีหลายอย่างที่ที่ที่ยังติกอยู่ในความรู้สึกแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นคนที่ปฏิบัติโดยที่แบบว่าไม่ได้คือติดกับอะไรทั้งสิ้นโดยที่ว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองที่จริงแล้วหนังสือของที่สิดาคนตายเนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านและทําให้ผมเริ่มปฏิบัติเป็นหนังสือเล่มสีฟ้าที่มีข้างหน้าเป็นที่ปวด แล้วผมอ่านเล่มผมเป็นเล่มแรกที่หม่านหนังสือจบแล้วความว่าเอ๊ะมันเหมือนกับสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราทํำเรื่อยๆที่ผ่านๆมาแล้วเราก็เรียนรู้เลยหลายอย่างด้วยตัวเองตลอดมาเอ๊ะมันคล้ายๆอะไรกันแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วผมก็ได้เรียู้ได้ปฏิบัติเนี่ยด้วยตัวเองมาตลอดโดยที่ว่าสงสัยอะไรก็ไม่ได้ถาม ก็ใช้วิธีการโยโสมนสิกานคือว่าไต่ตองเข้าไปว่าถ้ามันไม่ใช่หรือมันอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่รู้ว่าเรารู้รู้รู้รู้ไปตลอดเวลาซึ่งในระยะสองปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าผ ม, ผมปฏิบัติโดยที่ว่าผมไม่มีรูปแบบผมไม่ได้ไปยึดติดว่าผมต้องนั่งสมาธิหรืว่าเดินจงกรม ใ น, นในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งผมใช้ชีวิตประจําวันของผมเนี่ยในการปฏิบัติผมพยายามจะหาภาษาต่างให้มันกระทบแล้วผมจะรู้สึกกับมันไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆผมรู้สึกว่าณนะวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมที่ผมเอามาเนี่ยถูกหรือผิดอัเนียนะออลองสังเกตยอย่างนี้ก็แล้วกันภาวะที่มันปรากฏบ่อยๆเนะี่ยบางทีมันไม่มีรายละเอียดเยอะแยะหรอก แต่จะมีให้เรารู้สึกได้ง่ายๆแค่ว่าไอ้ตอนเนี้ยมันกําลังรู้สึกสบายสบายใจโล่งใจอยู่หรือเปล่าอย่างเนี้ยคือสบายจํำไหมนะเนี่ยและบางทีเนี่ยแม้กระทั่งเราพยายามที่จะปฏิบัติตามที่น้องน้องพูดมาว่าเออไม่มีรูปแบบเนี่ยนะบางทีมันเกิดความรู้สึกเหมือนกับทึบๆเข้าใจไหมมันมันเปรียบเทียบแล้วมันจะแตกต่างกับตอนนี้อย่างตอนเนี้เรียกว่าโล่งเรียกว่าสบาย แต่บางทีเราพยายามที่จะทำอะไรอย่างหนึ่งไม่ว่าจะศึกษาเข้ามาในกายในใจโดยความเป็นภัสสะกระทบแล้วก็เออมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะแต่พอใส่ความพยายามเข้าไปปุ๊บมันจะคล้ายๆกับที่ตอนที่เราทำงานตอนที่เราทำงานเราจะเป็นคนแบบค่อนข้างจะคอนเซนเทร e มากนะคือคือเหมือนกับล็อกจิตมันล็อกอยู่กับโฟกัส เข้าใจใช่ไหมคาว่าล็อกอยู่กับโฟกัสมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกเหมือนกับจริงจังมันจะรู้สึกเหมือนกับมีอะไรที่เป็นความตึงๆเคร่งๆเคร่งๆอยู่ซึ่งมันแตกต่างกับตอนที่มันมันรู้สึกสบายมันรู้สึกปลอดโปลงลองไปสังเกตแค่ตรงนี้ก่อนคือยังไม่ต้องเป็นนิยามก็ได้ว่านี่คือเรียกว่าเป็นโมหะเป็น เป็นความฟุ้งซ่านหรือเป็นอะไรยังไงเราเอาแค่ภาวะที่มันปรากฏแตกต่างที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆอย่างอย่างเนี้ยคือโลง่งตอนที่มันเคร่งเคร่งขึ้นมามันรู้สึกว่าไม่โลง่งมันเป็นอีกภาวะหนึ่งเนี่ยสองภาวะนี้เกิดบ่อยแล้วถ้าเกิดบ่อยแล้วเราเห็นเปรียบเทียบโดยความเป็นของเปรียบเทียบ มันจะรู้สึกว่าสติของเราเนี่ยมาอยู่กับเนื้อกับตัวจริงๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกมันจะเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรมากมันมันเหมือนกับเราเสียความฉลาดไปนะมันมันเห็นแค่อะไรแค่สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวโปร่งว่างเดี๋ยวทึบตันแต่อิภาวะสองภาวะที่เราเห็นเปรียบเทียบไปเรื่อยๆบ่อยๆอย่างนี้แหละมันจะทำให้สติมาอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งมันมีคุณภาพมากขึ้นกว่านี้คือสมาธิสติของเรามันเกิดจากการ เ, าเป็นคนจริงจังจริงจังกับ ง, งานจริงจังกับสิ่งที่อยู่ตรงแนาเป็นเป็นคนที่เหมือนกับตั้งอกตั้งใจสูงแต่ไม่ใช่สมาธิที่เกิดจากการปล่อยทีนี้ถ้าหากว่าเราแค่สังเกต สองภาวะที่มันแตกต่างกันบางทีมันโล่งมันโล่งเลยบางทีมันทึบๆตันๆมันเหมือนมีอะไรก้อนๆอะไรที่เป็นกําแพงก่อตัวขึ้นมาข้างในเราเห็นอย่างนี้สองภาวะเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วมันปรากฏอยู่บ่อยๆมันก็กลายเป็นสติที่รู้สึกนะขึ้นมาว่าเออไ อ, ไอที่ไอที่มันปรากฏให้เข้าสู่ใจของเราเนี่ย มันคือก า, การแสดงตัวของสภาวะไม่เที่ยงตอนแรกๆมันจะไม่ได้เห็นถึงความไม่เที่ยงระหว่าง2องภาวะนี้นะคือไม่เห็นรอยต่อว่ามันเปลี่ยนไปเมื่อไหร่แต่พอเปรียบเทียบไปเรื่อยๆนะเหมือนกับถามตัวเองไงตอนนี้ทึบหรือว่าโปรง่งเหมือนตอนนี้โล่งหรือว่ามันตันๆอยู่เห็นไปเรื่อยๆเปรียบเทียบไปเรื่อยๆเนะี่ยจนกระทั่งมันเกิดมันมันจะเห็นเลยนะว่า ไอตอนที่โล่งเนี่ยมันเป็นจิตที่เปิดคือมันมันจะรู้สึกถึงกระแสจิตได้ชัดขึ้นทุกวันนี้มันมันเหมือนกับเห็นเป็นความคิดมากกว่าคือเวลาเข้ามาข้างในเนี่ยมันเห็นเป็นกระทบแล้วก็เห็นเป็นปฏิกิริยาทางความคิดอะไรทํานองนั้นแต่ถ้าดูอย่างที่พี่ว่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเห็นเป็นจิตเลยนะเป็นเป็นจิตว่าเออจิตมันเปิดโล่งคือรู้สึกถึงความเป็นจิต ว่นเนี่ยมันเป็นธาตุรู้มันอย่างอย่างตอนที่เรารู้สึกสว่างอย่างตอนที่เรารู้สึกว่างๆโลง่งๆนั่นแหละอันนั้นคือสภาพหนึ่งของจิตจริงๆแล้วมันมันโล่งได้มากกว่านั้นนะด้วยกําลังแบบนี้เนี่ยแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่เปิดเต็มที่ถ้าเปิดเต็มที่เนี่ยจะเห็นเลยนะว่ามัมนมันมีความมันมีความกว้างได้มากกว่านี้แล้วเวลาที่ทึบขึ้นมาเราก็จะเห็นเป็นจิตเหมือนกัน เป็นการปรุงแต่งของจิตที่ล็อกตัวเองไว้ไม่เปิดออกเข้าใจใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราเห็นแค่ว่าทึบกับโลง่งเราเห็นอยู่แค่นี้แต่พอเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆซ้าไปซ้ามาซ้าไปซ้ม า, มาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นรอบมันเห็นเป็นอาการของจิตได้เองคือมันมีความเข้าใจอยู่แล้วว่าไอ้ที่ทึบที่โล่งเนี่ยนะมันก็คือการแสดงตัวอย่างหนึ่งของจิต มันไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนี่ตัวเนี้ยที่มันจะทําให้เข้าถึงจิตจริงๆแล้วก็พัฒนาต่อไปได้ไมันหมายถึงความไม่เที่ยงของจิตที่มันใช่มันมันเกิดแล้วก็ดับไปเกิดคือคืออย่าอย่ า, อ ย, าอย่าเพิ่งไปท่องลงนั้นอย่าอย่าเพิ่งไปเอาตรงเกิดดับเราเราไม่ได้เริ่มต้นจากการตั้งสเปกไว้ว่าเราจะเห็นเกิดดับแต่เราตั้งสเปกไว้ว่าเราจะเห็นความต่าง ระหว่างจิตแบบหนึ่งกับจิตอีกแบบหนึ่งที่มันเป็นตรงกันข้ามกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนสติปัฏฐานสีเนี่ยท่านไม่ได้ให้เห็นความไม่เที่ยงทันทีนะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่จะให้ดูลมหายใจเนี่ยท่านให้ดูง่ายๆก่อนว่าขณะนี้เข้าอยู่หรือออกอยู่ขณะนี้ยาวยาวอยู่หรือว่าสั้นอยู่จนกระทั่งจิตมันเห็นไปเองว่าเออมันมีความแตกต่างระหว่างสองภาวะตรงกันข้าม พอสติเห็นอยู่อย่างนั้นรู้อยู่เห็นอยู่นานๆเข้าจิตมันแปลตัวเองพัฒนาตัวเองมีคุณภาพมากขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างต่อเนื่องของเส้นคองวานั่นแหละมันถึงจะเห็นจังหวะของการเปลี่ยนของลมหายใจเช่นการเวลาเราดูเข้ามาถึงเวทนาคือถัดจากกายเนี่ยท่านให้ดูเวทนานะดูโดยความเป็นสุขดูโดยความเป็นทุกข์ดูโดยความเป็นสุ ข, สขที่ประกอบด้วยอามิตสุขที่ไม่ประกอบด้วยอามิตอย่างเงี้ย ท่านให้ดูเฉยๆว่ามันแตกต่างกันยังไงนะแล้วถึงไล่ขึ้นมาสภาวะของใจมีราคาหรือไม่มีราคามีโทสะหรือไม่มีโทสะสงบอยู่หรือฟุ้งซ่านอยู่จนกระทั่งมาอาการปรุงแต่งทางใจที่เรียกว่าสังขารขันอย่างอย่างที่พี่พูดไปเมื่อกีเอ้เนี่ยคือลักษณะการปรุงแต่งของจิตแบบที่เป็นสังขารขันคือมันไหนๆมันเกิดขึ้นบ่อยๆอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปไล่จับคู่ว่าเราควรจะดูตรงไหนเนี่ยพี่ชี้ให้ดูเลยว่าเราดูอยู่แค่เนี้ยโปร่งกระทึบนะที่มันสว่างโล่งๆกับบางทีมืดๆคือของเรานี่ ม, นมันมันไม่ได้มืดด้วยอาการที่เจตนาไม่ดีหรือว่าคิดชั่วร้ายแต่ว่ามืดๆ ด, ด้วยอาการที่ใจมันล็อกล็อกติดอยู่กับงานล็อกติดอยู่กับความตั้งใจตั้งออกตั้งใจอ่ะ เพราะเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าเวลาที่เราปล่อยมันมันจะสบายแบบหนึ่งเวลาที่เราตั้งอกตั้งใจมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนี้พอเราสังเกตอยู่แค่ตรงนั้นนไอ้ความเป็นสังขารขันเนี่ยบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันกลายเป็นความรู้ว่าทั้งหลายทั้งปวงที่มันที่เรียกว่าโปรง่งที่เรียกว่าโลงเนี่ยเนีหรือว่าที่เรียกว่าทึบเนี่ยมันเป็นแค่อาการชั่วคราวของจิตเข้าใจใช่ไหม ต่อมาเนี่ยคุณภาพของสติมันจะพัฒนาขึ้นมันจะเห็นกระทั่งว่าตอนที่มันทึบแล้วเปลี่ยนเป็น อ, อโล่งเนี่ยมันเปลี่ยนตอนไหนมันค่อยไปเห็นทีหลังคือไม่ใช่ตั้งใจเห็นไม่ก่อนมันไม่สามารถตั้งใจเห็นได้เพราะสติมันยังไม่คมพอครัคราวนี้ผมมีคำถามคำถามาเป็นเรื่องของสติเยอะครัผมเคยเจอมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่เงเกิดปฏิเสธ น, นี่ครับ แล้วก็ระหว่างที่ผมขับรถไปเนี่ยผมฟังทํามานุภาพไดอยู่แล้เหมือนกับมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถมันเสียหลักจิตมันรู้อยู่ใช่ไหมไม่ได้ไม่เป็น s l motion ใช่ครับมันเห็นเป็นช็อตๆปึ้งๆปึ้งๆมาแล้วผมแบบเห็นมัอนแบบว่าในสื่อการ์ตูนเห็นมันวิ่งวิๆทีลเดือนเดือนแล้วก็ซึ่งอันนั่นเนี่ยเห็มว่าเราเราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมสิ่งทุกอย่างให้มันรอดพ้นมาได้ยังไง อันนั้นเป็นอัตโนมัติของจิตนะจิตที่สั่งสมสติมาดีแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีความรู้แบบชัดเจนอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะมารูา้ตอนที่เกิดเหตุสําคัญหรือว่ามีอันนั้นแนหะมองมองอุบัติเหตุครั้งนั้นนะเป็นเครื่องกระทบจิตแล้วมันมากระตุ้นจิตให้เกิดสติอย่างใหญ่ขึ้นมาสติอย่างใหญ่เนี่ย มันก็คือจิตที่มันรวมรวมดวงเป็นจิตใหญ่นะแล้วก็จิตใหญ่เนี่ยมันจะมีความไวที่จะรับรู้อะไรได้มากกว่าปกติอย่างปกติเนี่ยคือมันเสียไปกับคลื่นความพุ่งสัน้นคลื่นความคิดพุ่งสั้นเนี่ยมันอยู่เป็น เ, เหมือนกับสิ่งครอบงมเรามาตั้งแต่เกิดเราเลยรู้สึกช้าๆอย่า ง, างนี้แต่พอมีอะไรกระทบจิต ที่มันแรงพอและจิตนั้นสะสมสติมามากพอแล้วเนี่ยมันจะตัดไอ้เคลื่นความคิดฟุ้งซ่านทั้งหลายออกไปเหลือแต่ความรู้ล้วนๆไอ้ความรู้ล้วนๆ น, นั่นแหละด้วยจิตที่ใหญ่อย่างนั้นแหละมันทําให้เราเห็นอะไรเป็นชดๆจอดๆจริงๆที่มีความเคลื่อนไหวเป็นชดๆมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะว่าเคลื่นความฟุ้งซ่านมาแบ่งมาแบ่งช่วงเราเราจะมีความรู้สึกเหมือนจิตเนี่ย มันมีเอาอารมณ์เป็นหุ่งห้วงหง่งห้ว ง, ง, งรู้บ้างไม่รู้บ้างนะหรือว่าคิดบ้างไม่คิดบ้างแต่พอมีอะไรมากระตุ้นให้สติมันตัดความคิดออกไปเนี่ยไห้ตรงหุ่งหวงนั้นมันหายไปเลยมันกลายเป็นความโปร่งใสเห็นโลกที่มันกําลังเคลื่อนไหวเป็นช็อตๆเนี่ยชัดเจนเนี่ยอย่างถ้าเกิดมีสติเนี่ยนะการเคลื่อนไหว ที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันผ่านไปแค่นี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายช็อตมันค่อยๆเคลื่อนไปทีละทีะเฟรมทีละเฟรมทีละเฟรมนะฮเราจะรู้แม้กระทั่งว่าผุดไอ้อารมณ์ความคิดขึ้นมาณขณะที่เนี่ยอย่างอย่างสมมติเราเคลื่อนไหวไปอย่าเงี้ยเราเคลื่อนไปเร็วๆแค่เนี้ยแต่เราจะเห็นเลยว่าคลื่นความคิดมันผุดขึ้นมากี่ระลอก แต่เดิมเนี่ยเราจะมีความสุขว่าเคลื่อนไหวก็อย่างหนึ่งเคลื่อนความคิดที่เกิดมาก็อย่างหนึ่งเหมือนกับมันไม่สัมพันธ์กันเหมือนกับมันไม่อยู่ด้วยกันแต่ตอนมีสติล้วนๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าอยู่ด้วยกันนะเห็นเป็นเหมือนกับไทม์ไลน์เลยว่าเนี่ยเคลื่อนไปแค่นี้ความคิดพุดขึ้นมากี่ละลอกเนี่ย p อย n t มันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะไปฝึกให้เกิดความสามารถรับรู้แบบนั้น เพราะว่าที่จะให้มันเกิดสติผูกกันอย่างต่อเนื่องละเอียดยิบแบบนั้นเนี่ยนะต้องเป็นจิตที่ถึงฌานอยู่ในเมืองมันฝึกให้ถึงฌานยากแต่ว่าถ้าเราจะเริญนสติไปเรื่อยๆ อ, อย่างเปรียบเทียบดูเนี่ยจิตแบบนึงแบบตกต่างกับจิตอีกแบบนึงมังไง ถึงจุดหนึ่งที่สติมันมีความคมกล้าจริงๆเนี่ยนะมันเห็นสองภาวะนี้แตกต่างไปเรื่อยๆยมันจะรู้ขึ้นมายิบยิบเลยว่าแม้กระทั่งไอตอนที่เรารู้สึกถึงความว่างมันมีว่างหลายแบบมันมันมีว่างที่ประกอบด้วยความคิดยุบยิบนิดหนึ่งกับความว่างที่ไม่มีอะไรเลยเหมือนกับใส่โล่งจริงๆและตอนที่ใส่โล่งจริงๆเนี่ยมนโนภาพไม่เกิดเลยนะ ไอ้ความรู้สึกว่าเราหน้าตาอย่างนี้เราสูงแค่นี้เราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงอะไรต่างๆมันหายเกลี้ยงเลยเหลือแต่เหมือนกับไอ้กล้องว่างๆที่มันถ่ายทําโดยที่ไม่มีคนบังคับนะไม่มีคนบังคับให้มันแพนไปไหนสวัสดีค่ะมจริงตั้งใจมาฟังแนตะ่ว่า มีสิ่งที่อยากถามนะคะปกติคื อ, ค, อคือไม่ได้ไม่ได้นั่งสมาธิกะใครเขานะแต่ว่าคือจะถามว่าเวลาถ้าเรา ต, ต้องทำงานกับคนที่ใจร้อนขี้โม่งแล้วเราควรจะปรับสภาพเรายังไงเพราะว่าบางทีกระทบแล้วเรารู้สึกว่าเรา ม, มันไม่สามารถที่จะปรับได้ด้วยความคิดนะถ้า จะต้องอยู่ท่ามกลางคนเจ้าอารมณ์จริงๆเนี่ยมีทางเดียวคือเราจะต้องเจริญเมตตาจะต้องทําให้จิตของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของความเยือกเย็นให้ได้ก่อนมันต้องค่อยๆสั่งสมไปแล้วจากนั้นเวลาที่ไปเจอเขาเนี่ยมันต้องเปรียบเทียบให้ทันคือคือมีสองชั้นนะสองลำดับขั้นนะขั้นแรกเนี่ยสร้างความเย็ยนในตัวเราให้ได้ก่อนสร้างความเมตตาจริงๆในตัวเราให้ได้ก่อน ด้วยการสวดมนต์จะด้วยการเปลี่ยนเมตตาจะด้วยการนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่นะจนกระทั่งใจของเราเกิดความรู้สึกถึงความเย็นเกิดความรู้สึกว่าเนี่เป็นที่ตั้งของความเย็นพอไปเจอเขานะเราต้องมีสติให้ทันด้วยว่าฝั่งของเขาเนี่ยมีความกระวลกระวายมันจะเห็นเลยนะคือยิ่งยิ่งจิตของเราว่างขึ้นเท่าไหร่มีความเยือกเย็นขึ้นเท่าไหร่มันจะเห็นเป็นคอนทราสต์ตัวความแตกต่างอย่างชัดเจนว่าเนี่ยของเราเย็นของเขาร้อน ของเราเนี่ยส ง, งบส ง, งอบอยู่นิ่งนิ่งอยู่เนียนเนียนอยู่ของเขาเนี่ยกังวนกังวัยเหมือนกำมีคลื่นอะไรปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนีดิ้นพล่านอยู่ตลอดบางทีถึงแม้ว่ายังไม่ได้ฝึกมาทุกคนคงเคยมีประสบการณ์ไปเข้าใกล้คนเจ้าโทสะเจ้าอารมณ์บางคนมันมองไปเนี่ยมันเหมือนมีอะไรดิ้นดินอยู่ข้างในตัวเขาเหมือนกับมีสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายอะไรบางอย่างนะมันมันเต้นพล่านอยู่ข้างในเราเห็นนะ่ย มันมันไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่าแบบเหมือนกับมีรูปทรงแต่รู้สึกว่าเนี่ยเราเห็นอยู่จริงๆเช่นกันถ้าหากว่าใจของเราเย็นแล้วแล้วรู้สึกถึงความร้อนในเขาใจของเรานิ่งแล้วแล้วรู้สึกถึงความดิ้นพล่านในเขามันจะได้ข้อแตกต่างเห็นความแตกต่างนะแต่แต่ถ้าจิตเราใกล้เคียงกับเขานะคือพร้อมที่จะมโหเหมือนเขา หรือว่าพร้อมที่จะร้อนทัดได้เท่ากับเขาหรือไล่เรียกเขาเนี่ยคือเบรกตัวเองไว้ว่าคือถ้าการไปขี่เนี่ยมันจะเหมือนน้ำมันราดกองไฟไม่จบแล้วเราไปเขาจะขู่ข้างในร้อนรุนแรงอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดนะที่ว่าถ้าถ้าเราไปโต้เถียงเขาหรือว่าไปอะไรเนี่ยอแต่ที่ผมพูดถึงเนี่ยกําลังพูดถึงภาวะทางใจที่เราสามารถสัมผัสได้ตั้งแต่เริ่มต้น ยังลองดูสวดมนต์บ่อยๆเลยนะสวดอิติปิโสเนี่ยอิติปิโสพระกวาระหังสัมมามนะสัมพุทโธนะสวดเวลาสักสามจบเจ็ดจบแต่ละจบเนี่ยดูว่าเออบอกตัวเองว่าเนี่ยเรารอบนี้เรามีความพุ่งสั้นแค่นี้อีกรอบหนึง่งเรามีความพุ่งสั้นน้อยลงหรือว่ามากขึ้นนะเปรียบเทียบไปเป็นรอบๆมันจะได้เปรียบเทียบกับตัวเองก่อนฝึกเปรียบเทียบกับตัวเองก่อนว่าจิตมีความดิ้นพล่านมากน้อยแค่ไหน นะพอสามารถสังเกตได้ออกมันก็จะไปใช้ไปประยุกต์ตอนอยู่ต่อนหน้าเขาได้เช่นกันคือเมื่ออยู่กับเขาเนี่ยเราเราจะรู้สึกทันทีเลยว่าของเราเย็นกว่าทั้งทั้ง ท, งที่บางทีมันอาจจะไม่ได้เย็นแบบส ง, งบนิ่งทีเดียวนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเรารู้สึกถึงความต่างฝั่งเรามันมีความรู้สึกอย่อยางนี้ฝั่งเขามันมีความรู้สึกอยู่อีกอย่างหนึ่งเป็นขั้วตรงข้าม นี้พอมันเริ่มร้อนเริ่มเริ่มเครื่องร้อนเนี่ยเขาก็จะมีอาการเด้งเรงเร่งขึ้นมาเราก็จะรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันร้อนมากขึ้นแล้วก็สํารวจใจตัวเองถ้าหากว่าร้อนตามเขาไอความเย็นมันจะเสียไปเห็นเป็นภาพทางใจนะของเขาเนี่ยมันเด้งเร่งเร่งของเราเนี่ยมันเด้งตามหรือเปล่าถ้าหากว่าเราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่าจะดูนะเปรียบเทียบว่าเออของเราเย็นกว่าเขาแค่ไหน มันจะมีแก่ใจนะคือมีแก่ใจที่จะรู้สึกเข้ามาว่าเออของเราสงบได้มากกว่าเขาไหมเราดิ้นตามเขาไหมแล้วมันจะเกิดความชอบใจเมื่อเกิดความรู้สึกว่าเรายังเย็นอยู่ไม่ได้ดิ้นตามเขาเข้าใจเป็นช็อตๆนะส่วนเรื่องที่ว่าจะพูดจาคัดง้างอะไรหรือว่าให้เหตุผลอะไรยังไงอันนั้นเป็นรายละเอียดปลีกย่อยที่พ้นไปจากเรื่องของใจแล้ว คือคือการให้เหตุผลเนี่ยมันเป็นไปตามสถานการณ์ที่หมอที่ควรที่เรารู้อยู่แต่เรื่องทางใจเนี่ยในตรงนีน้ที่ไม่เคยไม่ไม่มีใครชี้ให้ดูเท่าไหร่นะแล้วเราอาจจะเหมือนกับบางทีมันไม่รู้จะรู้ตรงไหนถึงถึงจะเป็นเรียกว่าการเจริญสติแต่ตัวนี้เมื่อเราเปรียบเทียบอยู่ว่าของเราเย็นของเขาร้อน ของเรากําลังนิ่งอยู่ของเขากําลังดิ้นพล่านแล้วเห็นว่าเออเนี่ยของเราไม่ได้ดิ้นตามเขาเนี่ยเรียกว่าสติมันจเจริญขึ้นแล้วเพราะมันรู้ถึงภาวะที่กําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือไม่ได้จินตนาการเอาไม่ได้คิดเอาว่าควรจะให้จิตเป็นยังไงแต่ยอมรับตามจริงว่าถ้าจิตของเราดิ้นตามเขาเร่งเครื่องตัด เ, เครื่องร้อนตามเขานะเรายอมรับแล้วพอมันเริ่มแผ่วลงมาหรือว่าเออ รู้สึกดีนะที่มันไม่ไม่ต้องเร่งตามเขาเนี่ยตรงนี้เรียกว่าของจริงไม่ใช่ใช้จินตนาการไ่ใจอย น, ะนั้นใช่่หมดีอันนี้คือปฏิบัติก็คือมีตอนเช้าสดวลแล้วก็ตอนนอนสดวลแล้วตอนนอนเนี่ดนนสดวนใช้พิ เินตรงกมแต่ว่าพนมมือค่ะแล้วก็สวดมนต์ระหว่างนี้ก็คือไม่ว่าจะเช้าก่อนนอนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเหมือนจิตมันแว บ, บไปคิดเดี๋ยวคิดเรื่องเด<อ>ียวต้องวสวดมนต์ก่อ น, อนก็นแล้วกันมา <c oughs> มาเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> ตอนสวดมนต์เนี่ยมันคิดเรื่องอื่นไปด้วยมันยังฟุ้งซ่านอยู่อ่อนเ อ, อควรจะสวบดบทเดียวหลายๆรอบ เลือกเลือกเลยอิติปิโสก็อิติปิโสไปเลยสวดสักสามจบเจดจบไม่ต้องสวดบทอื่นนะ <c oughs> เพื่อที่จะได้่าให้การสวดมนต์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสติไปด้วยเพราะเนี่ยเวลาสวดเนี่ยใจมันยังบางทีมันยังเลื่อนไหลตามความคิดเราจะรู้สึกเลยว่ามันมีความคิดอ่อนๆวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงน ะ, ะใช้วิธีเนี้ยที่ผมต้องพูดไปเนี่ยว่าส่วดหลายรอบแล้วแต่ละรอบเนี่ย เราสังเกตเอาว่าไอ้คลื่นความคิดที่มันวนเวียนอ่อนๆอยู่เนี่ยมันมันยังอยู่ตรงนั้นไหมอันนี้เป็นหลักตายตัวเลยนะถ้าเราสังเกตเป็นรอบๆเนี่ยตัวติดวิโสจบไปรอบขึ้นรอบใหม่เราจะรู้สึกถึงความแตกต่างมันจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเอออีกรอบหนึ่งพอขึ้นรอบใหม่เนี่ยเราสํารวจดูอจริงมันเหมือนไงที่มันเป็นสายอ่ อ, อนๆบางๆตรงเนี้ยมันลดระดับลงแต่ถ้ามันเพิ่มขึ้นก็ยอมรับตามจริงว่ามันเพิ่มขึ้น เราแค่รับรู้เป็นรอบๆว่ามันต่างไปไหมอย่างนี้มันจะเป็นการสวดมนต์เพื่อเห็นจิตเห็นจิตตัวเอง่ัน่านบทสวด แ, แต่ละแต่ละจบนะเป็นจิตดวงหนึ่งรอบนี้ยังยังมีความฟุ้งซ่านอ่อนๆอีกรอบนึงมันสงบลงมาชั่วคราวอีกรอบนึงมันเหมือนกับจะฟุ้งขึ้นมาใหม่หรือฟุ้งยิ่งกว่าเดิมอีกอะไรแบบนี้เราจะดีใจ ที่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงคือไม่เสียใจที่มันยังส่วนมนแล้วพุ้งซ่านไปด้วยนะแล้วเวลาที่ตั้งใจจ ะ, จะเจริญสติหรือว่าทำสมถะทำวิปัสสนาด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่เนี่ยหลักการดูมันก็คือการเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้แหละที่ผ่านมามันเหมือนกับออไปเราจะรู้สึกว่าถ้าทำ ในวันที่ทําได้ดีถึงแม้จะทําได้ดีเนี่ยอารมณ์มันจะเอื่อยๆคือมันนิ่งจริงแต่นิ่งแบบเอื่อยๆเข้าใจคําว่าเอื่อยไหมคือคือมันไม่มีอาการตื่นมันมีแต่แค่ความรู้สึกเย็นลงแต่ไม่ได้มีความตื่นรู้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอะไรอย่างหนึ่งมันกําลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูมันรู้สึกแต่ว่าเออเนี่ยสงบได้ก็ดีแล้วนะตัวตัวความสงบตัวความเย็นเนี่ย มันมีหลายแบบถ้าหากว่าเราสังเกตถึงความไม่เที่ยงอยู่มันจะเป็นสงบแบบตื่นแบบรู้มีความรู้สึกสว่างแต่ถ้ามันสงบไปเฉยๆแบบของเราที่มันจะเอื่อยๆเงี้ยนะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าสงบก็จริงแต่เป็นสงบแบบคล้ายๆอยู่ในความฝันเนะ่อยู่ในฝันดี ใจใช่ไหมคําว่าฝันดีเนี่ยคือมันมีความรู้สึกว่าเป็นสุขอยู่แต่เสร็จแล้วมันไม่รู้ว่าความฝันนั่ะจริงๆเป็นแค่ภาวะหนึ่งที่ไม่เที่ยงมันจะยึดนะว่าความรู้สึกแบบนั้นเป็นของดีจะต้องรูาคืออย่างถ้าสมมติว่ากำลังมหใจโย่ลมหายใจเข้าออกเราดูดเขานะจะมีความรู้สึกว่า เหมือนพอดูไปสักระยะหนึ่งมันจะมีอาการจุกแน่นในในลาคอเหมือนมันไปเพ่งที่ลมหายใจาเปลี่ยนวิธีที่เคยใช้ก็คือเหมือนกับนั่งหลับตาแล้วก็คอยดูจิตมันวิ่งไปกระทบอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะมันจะกลายเป็นปุ่งสั้นไปถ้าถ้าคุณทำแบบนะั้ที่เคยชินนะนะมันจะเหมือนกระโดดจิตมันจะกระโดดไปกระโดดมา ด, ดูจิตวิ่งวิ่งไปแบบจับตรงนู่นตรงนี้ความคิดเกิดดับอะไรไคืออย่าดูตรงนั้นเลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพอดูไปแล้วมันก็ไม่ไปถึงไหนมันก็วนอยู่กับอาการที่มันกระโดดไปกระโดดมานั่นแหละดูเป็นแค่ว่าในขณะนี้เนี่ยใจมันไม่ได้นิ่งคือเอาแค่สองอย่างเป็นภาวะเปรียบเทียบกันถ้าใจเรานิ่งมันจะรู้สึกเอื่อยๆแบบ ท, ที่เคยคุีไย แต่ถ้าจิตมันกระโดดไปโน่นนี่นั่นมันจะเหมือนกับไอ้ความนิ่งตรงนั้นมันเสียไปคือเข้าใจไหมเราไม่ได้ไปวิ่งตามความคิดแต่ว่าเราดูดูเป็นจิต ด, ดูเป็นสภาพของใจที่มันมีความต่างกันแค่สองอย่างระหว่างนิ่งกับวิ่งอยู่เข้าใจพอยไหมไม่ใช่เข้าไปในหัวแต่แต่ให้รู้สึกอยู่ในใจเนี่ยว่าตอนเนี้ภาวะมันแตกต่างกันยังไงนะอย่า ง, อ ย, างอย่างตอนเนี้ย มันยังมันยังวิ่งหน้าต า, าการวิ่งเนี่ยใจมันจะเหมือนไม่หยุดอ่าเห็นไหมนี่เรียกว่าเห็นอนาการไม่หยุดละมันหยุดมันหยุดลงเห็นไหมพอเห็นอาการไม่หยุดมันหยุดลงทันทีนี่ตอนนี้มันวิ่งใหม่วิ่งวิ่งอ่อนๆไม่ได้วิ่งจีแบบเมื่อกี้เนี่ยเราแค่ยอมรับตามจริงอย่างตอนนี้วิ่งอยู่ในอาการยอมรับตามจริงมันจะเห็นทันทีว่าจิตเราเป็นยังไง เห็นไหมไม่ต้องไปไปดูว่ามันกระโดดไปไหนมันเห็นเป็นจิตแค่ดวงเดียวพอและจิตดวงเดียวก็คือความรู้สึกทั้งหมดที่กําลังเกิดเกิดขึ้นปรากฏขึ้นในปัจจุบันนี้แหละวิธีที่เราจะรู้ได้ว่าจิตมันเป็นจิตที่เกิดขึ้นในขนาดนี้จริงๆก็คืออาศัยลมหายใจประกอบสังเกตดูว่าเนี่ยเราหายใจอยู่อย่างนี้รู้สึกยังไงเนี่ยอย่างตอนนี้หายใจแล้วรู้สึกว่าเออมันมันมันเฉยเฉยมันนิ่ง มีความสลุกโหยอนอ่อนเห็นไหมเห็นความสุขโหยอนอ่อนไหมมันไม่ใช่สุขแบบเอื่อยๆแบบที่ผ่านมามันมีอาการตื่นมันคล้ายๆใจมันเป็นคนตื่นเห็นความแตกต่างใช่ไหมเพราะเพราะมันคุ้นมานานไอ้สุกแบบเอืนะ่อยๆเนี่ยมันมันจะเหมือนนิ่งๆเงีเยบๆไปเฉยๆแต่เนี่ยมันจะมีความสว่างนะแล้วเวลาดูดูเปรียบเทียบอย่างนี้แหละจิตระวังอยู่หรือว่าจิตเอื่อยๆอยู่ จิตมีความนิ่งอยู่หรือว่ามีอาการวิ่งอยู่ยอมรับตามจริงเป็นขณะขณะแล้วทุกภาวะที่ถูกเรายอมรับตามจริงจะแสดงความไม่เที่ยงให้ดูเสมอเนี่ยตอนนี้มีอะไรวิ่งวิ่งวนๆอยู่คือแทนที่จะไปดูว่ากําลังคิดอะไรเราแค่รู้สึกรู้สึกถึงท่านั่งเนี่ยแล้วรู้สึกว่าในท่านั่งเนี่ยจิตมันมันกำลังเป็นยังไงอยู่สงบหรือว่าวิ่งเนี่ยตอนนี้มันวิ่งน้อยลง เราก็แค่รู้สึกไปเออจิตมันกําลังวิ่งน้อยลง<ม><ม>เนี่ยผมอย่างตอนที่ทไปทำอ็จะสังเกตเท้าพอสังเกตแขนมือพอเป็นหัวมันก็จะแน่น เ, เพราะว่าคุณไม่ได้สังเกตที่เท้านะมันเป็นการจ้องเข้าไปที่เท้าจ้องกับสังเกตเท้ากระทบเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะ เวลาที่เรารู้สึกถึงกระทบอันนี้ตอนนี้คุณลองเคาะเคาะเคาะหน้าตักอันเนี้จ้องเห็นไหมมันตั้งใจมันตั้งใจเคาะแต่ทีนี้ถ้าถ้าลองเคาะเคาะหน้าตักไปเคาะเล่นเล่นแล้วรู้สึกถึงกระทบเฉยเฉยเคาะเร็วเลยเร็วกว่า น, นี้นิดนึงอันนี้ตั้งใจอ่โอเคอย่างเนี้ยเห็นไหมตอนตอนเนี้ยที่รู้สึกถึงกระทบเนี่ยใจมันเบาเห็นไหมรู้รู้สึกไหมใจเบาวกว่าเมื่อกี้ ตอนที่เราตั้งใจตั้งใจเอาจริงเอาจังกับการเคาะเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ตอนที่รู้สึกถึงกระทบเร็วๆมันมันจะรู้สึกว่าในหัวเราเบาในใจเราเนี่ยมันคลายสังเกตถึงข้อแตกต่างออกไหมตอนนี้มันจะแค่นิดเดียวนะแต่ลองไปสังเกตดูเวลาที่เรารู้เท้ากระทบจริงๆนะถ้าถ้าเป็นแค่กระทบอย่างเดียวแล้วไม่จ้องเข้าไปไม่นึกถึงเท้ามากเกินไปนะแต่นึกถึงกระทบ ความรู้สึกที่มันที่มันฟ้องตัวเองอยู่ว่าความรู้สึกกระทบเป็นยังไงเนี่ยใจเราจะเบามันเบาทันทีที่รู้สึกถึงกระทบแต่ถ้าหากว่ า, เ, าเราไปนึกถึงรูปร่างของเท้าไปนึกตั้งใจว่าเออเนี่ยเท้าเท้าเรากําลังย่างซ้ายย่างขวาย่างซ้ายหรือย่างขวาอยู่เนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับแน่นๆขึ้นมา อันนี้เร e mm. ียกว่าเพ่งเกินไปเพ่งมากเกินไปนะอย่างตอนเนี้เพ่งมากเกินไปตั้งใจมากเกินไปคือคือพอพยายามที่จะเรู้สิ่งในสิ่งหนึ่งมากเกินกว่าที่จะจําเป็นนะมันจะมีอาการยึดมันจะมีอาการหน่วงขึ้นมาตอนนี้มันยังมีความกระวนกังวายอยู่รู้สึกไหมมันมันมีความกระวนกังวายมันจะมีอาการวิ่งวิ่งอยู่อตัวเนี้ยแค่เรารับรู้ตามจริงว่ามันมีความกระวนกังวายมันจะหายไปให้ดู แต่ถ้าหากว่าเนี่ยตอนเนี้ยมันยังอึงอ้งๆอยู่นิดนึงจะรู้สึกอึงอ้งๆต้องหายใจหายใจสบายๆหายใจเหมือนกับเราหายใจเป็นปกติเราไม่ได้ตั้งใจที่จะดูลมหายใจนะแต่แค่มีการรับรู้ว่าเนี่ยเราหายใจอยู่แล้วมีอาการเหมือนกับยังคาคาหน่วงหน่วงอยู่กลางอกแค่รับรู้มันมันก็จะเหมือนกับไอ ภาวะที่มันกําลังปรากฏอยู่จริงๆเนี่ยปรากฏให้เราเห็นแบบง่ายๆไม่ได้ไปจับยึดอะไรแน่นหนาะอย่างตอนนี้มันทื่อไปละคือคือตอนที่รู้สึกทื่อเนี่ยมันจะมัวๆมันจะเหมือนไม่ตื่นมันจะเหมือนจมๆลงไปเห็นความแตกต่างนะเนี่ยลองไปสังเกตสังเกตเรื่อยๆแล้วก็ถ้าหากว่าสามารถสังเกตอการเคาะที่หน้าตักได้ มันก็จะสามารถไปสังเกตว่าเท้ากระทบได้เช่นกันมันเป็นอันเดียวกันแบบเดียวกันนะอันนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาเช่นความเบาไม่รู้สึกถึงความเบาขึ้นกว่าปกติไหมครับคือคือมันจะไม่ยึดไม่ไม่มีอาการเหนียวเหนียวไม่มีอาการแน่นๆ่นก็ยังงงอยู่แต่อย่างน้อยแยกได้นิดหนึ่งใช่ัหมถึงความแตกต่าง นะว่าตอนตอนที่มันไม่ยึดมากเนี่ยเราจะรู้สึกสบายขึ้นไอ้ความรู้สึกสบายขึ้นนั่นแหละคือเครื่องบอกของคุณมันจะไม่สบายทั้งหมดทันทีหรอกเพราะว่ามันมีอาการจับแน่นมาค่อนข้างหนาเนฝนะึกึกแบบยึดแน่นมาค่อนข้างนานเหมือนกับบางทีเนี่ยเราสังเกตในระหว่างวันก็ได้ในชีวิตประจำวันเนี่ย บางทีมีปัญหาสมมติว่าแก้แก้ไขรุ่งร่วงไปแล้วเนะี่ยคนอื่นเขาดีใจกันบางทีเรารู้สึกคาคาอยู่คือไม่ไม่ได้ดีใจสุดมันมันเหมือนมีเอ๊ะกังวลอะไรอยู่เล็กๆว่าจะเกิดขึ้นอีกต่อไปหรือเปล่านะจะจะมีอะไรปัญหาแบบเดิมกลับมาไหมอะไรทำนองเนี้ยมันจะคล้ายๆอ่ะเราเห็นเราเป็นคนที่มองเห็นปัญหาเนี่ยว่า มันมีฟิดเกิดขึ้นยังไงบ้างนะแล้วก็จะใจเนี่ยมันจะจับยึดกับไอ้ตัวความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นมากกว่าไอ้ตรงที่เราเอาแก้ไขปัญหารุ่ล่วงไปแล้วคือคือนึกออกไหมคนปกติเนี่ยพอแก้ไขปัญหารุ่ล่วงไปเนี่ยมันจะสบายใจโล่งอ ก, อกเฮกันใช่ไหมแต่ของคนเนี่ยมันจะมีคาคาอยู่ลึกๆว่าต้นต้นต่อของปัญหามันยังอยู่หรือเปล่า มันมันจะไม่ดีใจไปสุดๆถึงแม้ว่าเราจะมีส่วนในการที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้จะคล้ายๆมีความคาใจพูดง่ายๆเป็นคนที่มีความคาใจแต่ต้นเหตุของปัญหานะาอันนี้เหมือนกันคือปฏิบัติไปแบบไหนก็แล้วแต่มันจะมีความรู้สึกคาใจไอ้ความคาใจมันเกิดจากอาการที่ใจของเราเนี่ยยึดแน่น อ่าตอนเนี้ยค่อยค่อยดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆซ้อมๆบ่อบยๆนะใช้วิธีเคาะนิ้วอย่างเนี้ยแหละแล้วรับรู้เฉพาะไอ้สิ่งที่มันฟ้องอยู่ปลายนิ้วไก่ต้นขาของเราเนี่ยมันฟ้องความรู้สึกยังไงเราเอาแค่นั้นอล้ไม่ไม่ไปนึกจินตนาการมากไปกว่านั้นเนี่ยอย่างเนี้ยตอนเนี้ยโอเคอย่างอย่างเนี้ยอยู่ในจุดที่เกือบสมดุลแล้วคาว่าสมดุลคือว่ามันรู้อยู่นะ แล้วก็ไม่ได้เพ่งมากเกินไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับผมก็เอ่อได้อ่านหนังสือของพี่ตูนนะคะตอนที่มีความทุกข์ก็เริ่มต้นโดยการให้ทานเสร็จแล้วก็รักษาศีลเสร็จแล้วเห็นพี่ตูนพูดถึงการเจริญสติบ่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะเจริญสติดูทีนี้ก็เลยทำก่อนนอน ก็เริ่มจากเเท้ามือผ่อนคลายหน้าผ่อนคลายเสร็จแล้วก็จับจับความรู้สึกที่ปลายเท้าไล่ขึ้นมาที่ที่เขาประมาณสี่ห้าจุดจนถึงหัวงทมันมีปิติเลยใช่ไหมมันจะรู้สึกถึงปิติตอนตอนที่ทําที่บ้านอะไรเงี้ยตอนตอนที่ทําเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีความคุ้นนะแต่ว่ามันมันมีความคาดหวังคเห็นความคาดหวังไหมตอนที่พี่ไกด์ไปเนี่ยเราเราไม่ได้โล่งเหมือน ตอนทําที่บ้านค่ะใช่เสร็จแล้วมันก็หลับไปอะค่ะพี่ตุลอันนี้มันได้ผลไหมคะคือ อ, อ, อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นแง่มุมที่ดีที่เราเริ่มมาเจริญสติเนี่ยมันหลับมีความสุขมากขึ้นบ า, บางครั้งเนี่ยเราทําเองที่บ้านเนี่ยมันมีปิติปิติขึ้นมาคำว่าปิติเนี่ยคือเราจะรู้สึกชุ่มฉ่ามันก็เหมือนลีแลกรีแ ล, ก, แลกมากอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ตรง ตรงที่เกิดความรู้สึกมีความสุขเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันเป็นกําลังใจให้ยังอยากทําต่ อ, อนี่ในระหว่างวันเนี่ยมันมันกลับกันอพอไปเจอชีวิตโลกภายนอกโลกความจริงเนี่ย ม, มันไม่น่าพอใจเหมือนอย่างตอนที่ เ, เราสามารถจะมารู้ตัวเองได้มันมีไอ้เรื่องที่ไม่คาดฝันมีเรื่องที่ไม่ได้อย่างใจ ว่าไอ้ตอนที่เราอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คาดหมายได้หมดเลยเดี๋ยวมีแค่นี้หายใจเข้าหายใจออกหายใจยาวหายใจสั้น <c oughs> มือเท้าอะไรมันผ่อนคลายอยู่หรือว่าสบายอยู่เอ่อไม่ไม่สบายอยู่นะมันมีอยู่แค่นี้แต่เรื่องภายนอกมันมีนมอะไรมากกว่านั้นอ่ามันเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าผิดหวัง <c oughs> แล้วก็มันไม่ได้อย่างใจ มันก็กลายเป็นความอัดอั้นตันใจขึ้นมา ม, มันไม่ใช่ความโปร่งโล่งไม่ใช่ปิติไม่ใช่อาการรีแลกซ์อย่างเมื่อกี้คือพอแต่น้องไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยค่ะคือเมื่อกี้ตอนที่พี่ไกด์ไปเนี่ยมันเหมือนกับมีความเริ่มต้นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นเล็กๆ เ, เออเนี่ยว่ามาทำต่อหน้าพี่อะไรอย่างเงี้ยนะ แล้วมันก็เลยกลายเป็นความคาดหวังว่าเอ้ยมันจะต้องให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆทีนี้พอความคาดหวังมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่เห็นว่ามันเนี่ยมีความคิดคาอยู่ในหัวมันก็คาต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าเราเห็นว่ามีความคิดคาอยู่ในหัวนะมันมันก็จะเหมือนกัไอความคิดคาคาเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งหรือสภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่ถูกรู้เมื่อไหร่ถูกยอมรับเมื่อไหร่มันคลายตัวไปเมื่อ น, นั้นเนี่ย คลายคล้ายแบบเนี้ยที่เรารู้สึกคลายอาการคลายตรงนี้เราเอาไปใช้ประยุกต์กับชีวิตจริงๆได้ประยุกต์ยังไงอคะพี่ตุลยังอย่างเวลาเวลาที่เราไม่ได้อย่างใจอ่ะมันชอบมีอาการคางไงถูกไหมแล้วเราจะรู้สึกมีเหมือนกับก้อนมึนๆอะไรอยู่ในหัวมันต้องแก้ไขอะไ ร, ระมไม่ใช่แก้ไขคือคือแก้ไขในเรื่องทางโลกอันนั้นเราต้องเราต้องจัดการไป น, นั้นเรื่องของเราแต่นี้เรื่องของธรรมะก็คือว่าเมื่อเกิดความรู้สึก ม, มืดขึ้นมาเป็นก้อนๆในหัวเนี่ยนะเราแค่ยอมรับเหมือนกับที่ยอมรับสภาพตอนเนี้ยที่ที่พี่พูดถึงเนี่ยแล้วมันคลายออกไปมันก็จะเป็นอาการเดียวกันเลยไม่ต่างกันอ๋อเมันรู้สึกว่าตอนนี้เครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่คือคือเราอย่ามองเป็นแค่คําว่าตอนนี้กํลาลังเครียดอยู่ให้นิยามเจาะจงลงไปเลย ว่าสภาวะความเครียดตอนนี้หน้าตามันเป็นยังไงของเรามักจะมีความรู้สึกเหมือนกับความมืดอะไรบางอย่างเกาะ อ, อยู่ในหัวหคิดออกไหมเราจะรู้สึกหน้ามืดแล้วก็มองอะไรไม่เห็นหหมันมันจะรู้สึกแคบๆอยู่แค่ตรงหน้าเนี้ยเพราะเราเป็นคนคิดมากแล้วคิดไม่ตกคิดคิดแล้วจมอยู่กับความคิดตรงนั้นแล้วไม่ออกมาบางทีนะเราตั้งใจว่าจะทายังไงดี แต่มันติดอยู่กับคำนะล็อกอยู่แค่กันเนี่ยจะทำยังไงดีแล้วมืดไปเฉยเฉยแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นว่าเออเ น, นี่ยอลักษณะภาวะความคิดที่มันครอบครอบหัวเราอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนมืดๆตนัตนๆเป็นก้อนๆอยู่แล้วมันคลายออกได้เนี่ยอย่างตอนนี้ไม่ได้เพราะเพอเราทุ่นคิดถึงวิธีการค่ะใช่ก็คือแค่รับรู้มันอางค่แค่ยอมรับตามจริงว่าเนี่ยมันเป็นสภาพอย่างนี้เห็นไหมมันเปิดแล้ว แล้วพอพอหัวเราเปิดตอนนี้แหละที่วิธีแก้ปัญหามันถึงจะตามมาจริงๆของเราชอบนั่งจะทำไงดีจะทำไงดีแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัวจะทำไงดีเนี่ยมันครอบอยู่เป็นชั่วโมงเลยไม่ไปไหนเลยแต่พอไอ้ความคิดตรงนั้นเนี่ยมันถูกรู้ว่ามีอะไรมืดๆกั้นอยู่แล้วหัวโล่งได้ ตอนนี้ยังไม่ลงออืมันมันคิดตา ม, ม, ตามเอออ่าเนี่ยพอพอลักษณะของอาการคิดตามพี่พูดถึงลักษณะาการคิดตามแล้วเรานึกออกว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้อยู่อพอมันคลายออกไปปุ๊บตัวนี้แหละมันถึงจะเปิดทางให้วิธีการแก้ปัญหามันเข้ามา อ, อย่างเงี้ยมันจะค่อยๆ ค, คิดเป็นลําดับค่อยๆ ค, คิดเป็นขั้นเป็นตอนด้วยด้วยหัวที่มันลงขึ้นนะที่ผ่านมา คือเราเคยชินกับอาการคิดแบบย่ำอยู่กับที่จนมันกลายเป็นความเคยชินคือมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แก้อะไรเลยนะแต่แก้หลังจากที่ผ่านความอัดอั้นปันใจมานานแล้วระดับหนึ่งมันถึงได้เปิดทางให้ค่อยๆคิดแบบอ่นอัดคำว่าคิดแบบอ่ดอัดเนี่ยคงเข้าใจนะ คือเราเริ่มต้นแก้ปัญหาจริงๆอย่างจังด้วยความรู้สึกฝืดๆฝืนๆเหมือนกันต้องผ่านไอ้ช่องแคบอะไรไปที่มันไม่เต็มใจให้ผ่าน <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราเริ่มตั้งต้นจากไอ้นี่รู้ก่อนมันมันแค่สภาวะอะไรกั้นๆอยู่มืดๆอยู่พอ <c oughs> หัวโล่งแล้วเนี่ยความคิดมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะโอเคคอบคุณค่ะนี้ค่ะ ค่ะจะรู้สึกว่าแบบเวลาที่มีแบบสุขกระทบใจแล้วมันจะแบบฟูขึ้นเร็วแล้วก็เวลาทุกข์ก็จะแบบลงเร็วอ่ะค่ะจะมีวิธีแบบว่าฝึกยังไงดีอะค่ะของน้องมันเหมือนกับภาวะที่เกิดบ่อยอะ่ะมันจะหดหู่แนหะมันจะมันจะมันจะค่อนข้างไปในทางหดหู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เจอเรื่องน่าดีใจ มันจะเหมือนปลากระดี่ได้น้าคือมันมีอาการตะกลุ่มตะกรามมันรอคอยอยู่ไงรอคอยความสดชื่นรอคอยความรู้สึกสมหวังสมใจนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะจมอยู่อาการหดหู่เพราะนั้นลักษณะของอาการหดหู่ที่มันพร้อมจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นพวกเดียวกันกับไอ้เครื่องกระทบที่จะทำให้เกิดความทุกข์ พอพอมันพร้อมจะหดหูอยู่แล้วมีอะไรกระทบให้ทุกข์มันก็ยิ่งจมเข้าไปใหญ่เข้าใจพอยไหมข้าใจอของเราไม่ใช่เซนซิทีฟอสุขมากแล้วก็ทุกข์มากนะแต่มันจมอยู่กับอาการหดหูเป็นปกติจมอยู่เรื่อยๆาทางออกหนึ่งคือ ลองลองสร้างทุนให้ตัวเองเนี่ยฝึกสมาธิตามที่พี่ไก่อ่ะแต่อย่างเมื่อกี้เนี่ยพอพอเราฝึกฝึกไปมันเหมือนกับมันโครงเกรงโครงเกรงอยู่ข้างในอ่ะนะมันมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่มันมันเหมือนกับยังมีอะไรครอบครอบเราอยู่ปิดปิดเราอยู่<ฆ>เราอย่างพอรู้สึกเท้ารู้สึกมืออะไรสบายขึ้นมานิดหนึ่งแต่ใจมันมันไม่ยอมสบายตาม มันจะไม่เก็ทคำพูดของพี่ที่ว่าเออพอร่างกายรีแลกซ์แล้วนี่จิตใจมันก็สบายตามไปด้วยคล้ายๆมันยังมีอะไรโปะอยู่ uh huh. เราจะรู้สึกเนี่ยน uh huh. พอดูลมหายใจมันก็เลยดูแบบฝืนๆ uh huh. ทีนี้น้องลอง uh huh. กลับไปทำดูบ่อยๆ uh huh. ไป s a w uh huh. c l o u d c o m แล้วก็ดังทรินเนี่ยนะ uh huh. ที่นั่นเนี่ยมันจะมีอย่างที่พี่พูดไกด์อยู่นี่นแหละลองบ่อยๆ uh huh. ด้วยด้วยความ ด้วยมุมมองอีกแบบหนึง่งคือไม่ใช่ฝืนทำตามแต่เป็นอาการค่อยๆสำรวจรไล่มาจริงๆเท้ามือใบหน้าแล้วก็ร่างกายมันพร้อมจะหายใจไหมมันจะค่อยๆรู้สึกถึงความสดชื่นทีละนิดเพราะของเราเนี่ยมันเหมือนความหดหู่มันโปะโปะจิตมาจนเหมือนยาชามามาครอบเราจะรู้สึกบางทีมันชาชชีวิตเป็นสิ่งมึนชา นะ ม, มันไปไหนมาไหนเนี่ยมันรู้สึกไ ม, ไม่แกะไม่หลุดออกจากอาการแบบนั้นทีนี้ถ้าหากว่ามีไอตัวการเจริญสติแบบที่จะทำให้เข้ามารู้สึกถึงภาวะในกายในใจแล้วก็รู้สึกถึงความปลอดโปร่งตามจริงที่มันจะปรากฏเมื่อเจริญสติแล้วนะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นช่วงเว้นวักของความหดหู่ของอาการซึม<ะ>แล้วเสร็จแล้วเวลาเราดีใจ มันจะรู้สึกว่าไม่ได้ดีใจแบบตะกุมตะ ก, กามในขณะเดียวกันเวลาที่มีความทุกข์จะไม่รู้สึกโอ้โหเฮิร์ตเหลือ เ, เกินของเราชอบมีความรู้สึกเฮิร์ตเฮิร์ตมากนะมันมันคล้ายๆเพราเราเป็นผู้ถูกกระทําอยู่ตลอดเวลาคทั้งๆที่เราก็แหมเราว่าเราดีดีกับคนอื่นนะเออเราก็ไม่ได้ไปอะไรกับใครมากมายแต่เนี่ยตรงเนี้ยทั้งหลายทั้งปวงนะ คนทั้งโลกจะกระทำกับเราแค่ไหนมันไม่เท่ากับที่ความหดหูมันกระทำกับเราตลอดเวลา<ะ>คือเราแล้วเราเป็นฝ่ายสมยอมด้วย<ะ>ให้ความหดหูเนี่ยมันครอบงำจิตใจของเรา<ะ>เข้าใจอาการยินยอมมั้ยอมให้มันครอบอยู่<ะ>แล้วก็นึกว่า<ะ>ไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีขึ้นคือคือของเราเนี่ยเราโดยความคิดเราเป็นคนที่เข้าใจนะ ว่าไม่มีใครมาทำให้เรามีความสุขได้เราคิดของเราอย่างนี้นะ uh huh. แล้วก็ไม่ได้หวังพึ่งหวังจะให้ใครมาช่วยเพราะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ uh huh. แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ช่วยตัวเองด้วยคือไม่รู้จะช่วยยังไง uh huh. มันมันมองไม่ออกว่าเอ้ยจะต้องไปอ่านหนังสือเหรือจะต้องไปดูหนังเหรือจะต้องไปโน่นไปนี่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นแค่การที่ เราไปหาเรื่องสนุกเพื่อก่อความทุกข์แบบใหม่ๆ ใ, ในรูปแบบใหม่ให้มันตามมาคือแล้วมีอยู่จุดหนึ่งในชีวิตเราคือเรารู้สึกว่าเราทำตัวไม่ถูกปฏิบัติตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอาอยัางไงให้ใครพอใจหรือว่าตรงไหนที่มันเรียกว่าถูกต้องแล้วดีที่สุดแล้ว คล้ายๆว่าคนโน้นก็จะเอาอย่างนั้นคุณพ่อจะเอาอย่างนี้คุณแม่จะเอาอย่างนี้หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะมันบางทีมันสับสนมันสับสนมาตั้งแต่เด็ก ๆ, ๆแล้ ว, แ ล, วแล้วไม่รู้จะทําทตัวยังไงถูกค่ะนี่พูดตรงไปตรงมามันจะได้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆหน่อยนะอเออเสร็จแล้วอย่างมาเจอเพื่อนบางทีเราก็บางทีรู้สึกบางทีก็รู้สึกกลมกลืนเหมือนเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึง่ง แต่บางทีมันก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเข้ากับใครได้เลยคือข้างในจริงๆอมันมันไม่มันไม่ใช่แบบที่ว่าใครจะมาเข้าใจเราหรือว่าเราจะเราเองเราก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมเขาต้องนะมีเงื่อนไขอย่างนั้นมีเงื่อนไขอย่างนี้ทําไมเขาไม่คิดอย่างนั้นทําไมไม่คิดอย่างนี้มันเหมือนกับสรุปแล้วชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยมันสับสนค<ะ>ปฏิบัติตัวไม่ถูกไม่รู้จะเอาอย่างไงดี ตรงที่ไม่รู้จะเอาอย่างไงดีเนี่ยมาเอาทางนี้แหละถูกแล้วดีแล้วนะเหมาะสมที่สุดกับเราแล้วคือมารู้ดูก่อนเลยสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือภาวะที่หดหู่ซึมซึมรู้สึกเหมือนพร้อมจะซึมลงไปเมื่อไหร่ที่รู้สึกซึมหายใจทีหนึงนะ่งและบอกตัวเองว่าเนี่ยอาการซึมที่ลมหายใจนี้มันมีเท่านี้อีกลมหายใจต่อมาบอกตัวเองถามตัวเองมันเท่าเดิมไหมอ้าหากว่า มันเท่าเดิมก็ยอมรับว่าเท่าเดิมแต่ถ้าหากว่าไม่เท่าเดิมเราก็รู้ว่าเนี่ยภาวะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาให้ดูแล้วมาปรากฏให้ดูแล้วน ะ, วะน ไ, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ยินบางทีมันก็เงียบๆไปอย่างเงี้ยไม่มันไม่ค่อยดีแล้วหลายปีสวัสดีค่ะก็ เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงอารมณพบทอนนิดนึงนะคะเพราะว่าเร่มแรกที่อ่านของคุณดังเทรนจะเป็นกรรพยาการนะคะประโยคแรกที่อ่านจบเพื่อนรุ่นน้องแคลนขยอเราเกิดความสงสัยว่าอะไรคือสติน้องยังบอกว่าไม่เห็นจะรู้สึกเหมือนเราเลยนะคะทหรือก็เล ย, เยมีคำถามสองอย่างนงนี้เรื่อง ลูกที่ลกขำ่องวานเลย่ะเราบอกว่ามันนี้อาก่านหนังอหรอกเพราะว่าอา่านมัเสดจิตวิญญาณมีเยอะเงยังเบปเ้ปากหนึ่งอะไรย่เงี้ยเพราะว่าจะเขียนลแ่สร้างขึ้นคุณเสร็จทีนี้เขาลูกนสัยว่าคนอย่างเราเนี่ยถ้าวางไว้เดี๋ยอ่านชอบอ่านหนังสือเอ้ยแล้วก็อา่อานอ่านแล้วก็ขำนะคะก็ก็พูดถึงตัวเองเนาะความแสบในดีอะไรเงี้ยนะคะก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไบเบิลความรักแท้สิมีน ทีนีชีวิตก็รุ่มรออยู่เยอะจนไปเส่เ่นที่สาของคุณนันทรนนะคะค็เล่นเตรีมเสบียงช่วงที่เจอเนี่ย จ, จิตใจหดหูซึม้อ่าสทามาเยอะนะคะแก้ไขอาการเองนานทีนี้เนี่ยยังจได้เลยคุณนันท์เนคนหน้าให้เิดสินแตวันววพะูมันว่าก็ไม่ได้บอกว่าจะหายนะแือสาวดีตอนนั้นก็คิดในใจว่าสามปียู ก, กับเดียวนะคะ แต่ถ้านแต่ถ้าไม่ดีขึ้นนะฮึตอนนั้นก็ยังเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่นะคะถ้ า, ถาไม่ดีขึ้นนะฮึเจอกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ถือไปได้ปีหนึ่งก็เห็นผลนะคะมันมีความสว่างสว่างที่แตกต่า ง, ร ง, รงเราจะรู้สึกเลยว่าสว่างเนี่ยมันมีหลายแบบนะสว่างจากการคิดดีสว่างจากการถือศีลมาสะสมศีลมานีมันเป็นความแตกต่างจริงๆ คุณังเข็นหนนี้ยิงติดนเต้นกว่าส่งตหลวงพ่อกแล้วก็อ่าก็เป็นโชคอย่างหนึ่งนะคะก็ได้ทักมาตาหนึ่งตานดพบ่พี่โจได้นีโอกาสทงานอืก็จะเริ่จะติดมาด้ืยนะคะติดตั้งสึงบ้านมาเยทําตอนนี้ก็คิดว่าตัวเองถ้าจะติดก็ก่อนหน้านี้จะติดสำเร็จนะคะ ก็อาจจะยังมีเพ่งอยู่คุณพ่อก็บอกว่าให้เลิภาวนาคะซึ่งเือนว่าให้เอาอ่ก็เลยไปดูหนังไปอะไรให้มันเคลื่อนนะคะเพราะว่ายอมรับว่าเป็นคนรู้ความถูกมันมันก็เลยมันก็เลยก็ก็คือทำสมาธิเยอะเยอะเหมือนกันบ้างคะเพราะว่ารู้สึกว่าเพแล้วคุณน้อยงกว่าเมื่อก่อนทีนี้เนี่ยก็นนี้ก็เอ่อ ใครๆก็บอกว่าก็ต้องปล่อยให้หมดฟูงก็ฟูงอะไรอย่างเี้เราก็เฮ้ยก็กลัวเละนะลาสุดก็ก็ลองดูนะคะเป็นคนเชี่ยงฟังทุกคนที่แนะนำนะคะก็แต่ยังยังก็ ย, ยังไม่รู้ว่ามันใช่อานะ่าที่ที่ผ่านมานะ <c oughs> ก็ถือว่าสะสมทุนเป็นความสว่างไว้มากพอสมควรนะ เอาเอ า, เอาตรงเอตรงเรื่องความสว่างแบบใหม่อย่างใหม่นะไม่ใช่ความสว่างทีเ่เราไปทำเมื่อวนไหนก็ไม่รู้อดีตชาติเมื่อไรไม่รู้เนี่ยนะบุญบุญที่เคยทำมาเนี่ยอย่างน้อยมันทำให้เราเจอพุทธศาสนาแน่ๆนะแล้วก็เจอไอ้แรงเหนี่ยวนำที่จะทำให้เข้ามาเจริญสติเข้ามาปฏิบัติจริงจังนะทีนี้ของใหม่ที่เห็นชัดๆเลยจะเป็นการถือศีลแปดก็ตาม จะเป็นการที่เราเริ่มสํารวจจิตสํารวจใจเข้ามาก็ตามมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราประจักษ์ว่าเนี่ยเราทำเองเราทำอยู่เมื่อหาเราสํารวจสังเกตนะว่าเราทำอยู่แล้วมันสว่างขึ้นไอ้นี่เรียกว่าเป็นเครื่องยืนยันที่เราสามารถมีให้กับตัวเองได้นะตั้งตั้งแต่เริ่ม แล้วก็จะสามารถสังเกตความแตกต่างคือมันจะยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยถ้ า, เ, าเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกรุ่มร้อนหรือคิดเรื่องไหนขึ้นมาทำให้รู้สึกว่ามันไม่สามารถสงบได้แต่ตอนนี้มันกลายเป็นเพียงคลื่นรบกวนในหัวที่มาให้เราสังเกตมาให้เราศึกษาว่ามันปรากฏแล้วหายไป ในเวลานานแค่ไหนเนี่ยดูตรงเนี้ยนะมันมันชัดเจนว่าเป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าความคืบหน้าได้อย่างอย่างของของเราเนี่ยคือมันจะบางทีขึ้นความคิดแบบร้อนๆเนี่ยบางทีมันยังคายอยู่ในหัวนะมันยังวิ่งอยู่ในหัวก็จริงแต่อย่างน้อยที่สุดมันไม่ได้ทำให้เราใจรุ่มร้อนเหมือนเมื่อก่อนลองสังเกตนยนะคือมันแตกต่างกันนะความคิดในหัวมันมันร้อนๆ้อ น, อ, นอยู่ แต่ใจเราอะไม่อยากเอาอะไรกับมันอย่างนี้เป็นไ <c oughs> อ่ <c oughs> ไม่ใช่เรียกว่าปกติหรือไม่ปกติมันเป็นเรื่องเฉพาะตนมันเกิดขึ้นเป็นคนๆอย่างของเรามันมาในรูปแบบนี้เราก็สังเกตไปสังเกตว่าถ้าเป็นแต่ก่อนไอ้นี่ร้อนเนี่ยไอ้นี่จะร้อนด้วยแต่ตอนนี้ไอ้นี่ร้อนไอ้นี่มันรู้สึกว่างๆมันไม่อยากเอาอะไรกับมันเนี่ยอย่างนี้ถือเป็นความแตกต่างที่ชัดเจน เราบอกตัวเองได้ว่าความคิดร้อนแต่ใจไม่พลอยร้อนไปด้วยยังสามารถเป็นกุศลได้อยู่นี่คือความก้าวหน้าชนิดหนึ่ง <Okay. S 1> แต่ความก้าวหน้าตรงนี้ไม่ใช่จะหยุดอยู่ตรงนี้นะถ้าต่อไปเรารู้สึกถึงความคิดร้อนๆในอที่มันยังวนเวียนอยู่ในหัวแล้วสังเกตไามอา้าตรงนี้มันเย็นเย็นอยู่นี้ว่างๆอยู่นี้นะเราลองสังเกตว่า คือถ้าใส่ใจมาที่ความรู้สึกว่างๆใส่ใจมาที่ความรู้สึกเย็นๆตรงนี้แป๊บหน<อ>ึ่งไอ้ตรงนี้มันจะแสดงความไม่เที่ยงให้ดูไอ้ที่ความคิดร้อนๆมันยังไม่ไปไหนเพราะว่าเราใส่ใจอยู่กับความคิดร้อนๆอ๋อโอเคคือใส่ใจแต่ไม่ได้ไม่ได้ยึดจริงๆแต่ก่อนเนี่ยยึดด้วยใส่ใจด้วย <laughs> เห็นไหมมันมันละเอียด <laughs> นิดนึงไหมอ่าถ้าถ้าหากว่าเราสำรวจสังเกตไป ว่ความคิดร้อนๆมันจะเกิดขึ้นนานแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่ใจของเรายังเย็นอยู่ได้ในที่สุดความคิดร้อนๆนั้นมันจะต้องลงเอ่อยเหมือนกันเสมอคือหายไปให้ดูดูที่ความว่างหรือเย็นนี่มันไม่เป็นการไม่ใช่ดูนะไม่ไม่ใช่พยายามดูนะแต่ทําความรู้สึก เ, เหมือนถามตัวเองอะ่ะเหมือนถามตัวเองตอนเนี้ยใจเราว่างอยู่ไหมตอนนี้มันยังมีคืกคิคุกๆิกอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยที่มั น, ม, นมันยังคิดไง มันคิดแล้วเสร็จแล้วใจมันก็ยังยืดยืดอยู่อว่าจะเอายังไงเอ๊ะจะใช่หรือไม่ใช่ยังไงเข้าใจถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอมันมันมันมีปรากฏการบางอย่างที่มันปรากฏให้เราสามารถรับรู้ได้นี่ไอ้ตัวนี้มันปรากฏยังไงก็เหมือนกันเวลาที่ไปอยู่คนเดียวเนี่ยเกิดความคิดร้อนๆ้อนขึ้นมาในหัวเออตรงนี้มันมันว่างหรือมันมันเย็นเราถามเหมือนถามตัวเองเฉยเฉยไม่ใช่จ้องเข้าไป เอาความรู้สึกนิดเดียวตอนตั้งต้นแล้วจากตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกทันทีเลยว่าเนี่ยคือฐานของการรู้การดูการสังเกตไอ้ความคิดร้อนๆได้วันนี้ที่ที่พยายาม ม, มันยังกระโดดไปกระโดดมานิดหนึ่งแต่คือมั น, ม, นมันใช่ใช่ใช แต่มันมันยังดูสับไปสับมาหลายอย่างนะคือคือแล้วมันก่อให้เกิดความสงสัยแต่ว่าถ้าอะไรที่มันปรากฏเด่นขึ้นมาเป็นภาวะที่เรารู้สึกอยู่มันปรากฏเด่นขึ้นมาแล้วเราไม่ไปคิดว่าจะทำยังไงจะต้องเอายังไงกับมันเนี่ยแค่คือมีสติแล้วมันมันก็ใช่แต่ในแว บ, บแรกที่ไม่ทันคิดแต่พอพอสติเกิด มันมันเหมือนมีแรงรั้งนิดนึงอย่างเงี้ยยังมีแรงกระตนตัวแรงรั้งเนี่ยพอเกิดขึ้นเราเราฝึกรู้าฝึกรู้ว่ามันมีแรงรั้งแต่ว่ายังเหมือนจงใจยไมเป็นไรคืออย่าไปวอรี่มากอย่าไปวอรี่มันมากว่าเฮ้ยนี่จงใจอยู่หรือเปล่าเฮ้ยถ้าไม่จงใจเนี่ยมันฝึกกันไม่ได้หรอกนะช่วงเริ่มต้นเนี่ยแต่ประเด็นคือว่าพอฝึกไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็ขอให้รู้กันละกันว่า นี่อการจงใจเจาะจงมันน้อยลงมันลดระดับลงเวลาเดินโยงลมในรูปแบบนะคะเวลาความฟุ้งก็ดูไปเรื่อยๆเพราะความฟุ้งมันหายไปมีอยู่ช่วงบางช่วงที่มันเกิดความว่างเหมือนเหมือนมันดิ้นลนเพราะว่ามันเหมือนต้องการที่เกาะอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็ไม่รู้ใจยังไงก็ต้องควันคือเราก็ตอนตอนเราเดินยงกลมมันมันคิดฟุ้งซ่านมากไปนิดหนึ่งหาหาจุด จุดจับสติให้ได้รู้เท้ากระทบไปน ะ, ะมันจะได้มีเครื่องสังเกตนี่เรายังมีสติอยู่นะเท้าอยู่ในใจเท้านี่ไม่ใช่นึกถึงเท้านะแต่ยนึลึกถึงว่าความรู้สึกในการกระทบระหว่างเท้ากับพื้นมันเป็นยังไงค่ะพอมันกลับมาพุ่งสัน้นล้วก็บอกตัวเองว่าเออเนี่ยเท้าหายไปจากใจก็กลับไปใหม่ อีก น, นึงะนะคะอาจไม่รู้ว่านอกเรื่องไปนี้มึแต่ว่าเกิดความสงสยัยสัตว์เดรัจฉานที่มีความกลัวนะคือที่บ้านของพธะนโทษพอดีเป็นห่วงนิดนึงว่ามีหมายอยู่ตัวหนึง่งแล้วเขามีความกลัวสูงทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะรู้สึกว่าของกลัวเป็นความไม่ไที่เราจะช่วยถ้าเป็นมนุษย์ก็แผ่เมตตาแต่แผ่ออกไปจากความรู้สึกเย็นตอนที่เรารู้สึกว่างตอนที่เรารู้สึกมีความสุขเนี่ยค่อยแผ่เมตตาคือนึกให้มันมีความสุขแบบเดียวกับเรา นึกให้มันมีความว่างแบบเดียวกับเราตอนตอนเรามีความว่างแล้วนะตอนเรามีความสุขแล้วเนี่ยนึกถึงมันนึกถึงภาพมันที่กําลังอยู่ตรงหน้าเนี่ยเออแล้วนึกว่าให้มันอยู่ในกระแสความว่างของเราแบบนี้ด้วยแต่ถ้าเรากําลังอยากให้อยากช่วยมันอยากนู่นอยากนี่ไอความอยากแบบนั้นมันจะกลายเป็นคลื่นน้อนๆไปกระทบมันกับคนก็ใช้ได้ด้วยใช่ไหมแต่กับสัตว์เนี่ยจะ เห็นผลง่ายหน่อยเพราะว่าจิตมันต่ำกว่าเราจิตมันอ่อนกว่าเรานะทำหมดนี่แหละคือคำแนะนำที่นะ <c oughs> จำไม่ไหวอยู่แล้วโอเคครับผมค่ะปกติจะเป็นคนนั่งสมาธิตอนเช้าอะค่ะ แต่จะฟุ้งซ่านมากจนเหมือนกับนั่งแล้วเกิดท้ออะค่ะแต่พอออกมาในชีวิตประจําวันเนี่ยเวลาไม่ได้ตั้งใจอะค่ะบางทีจะเห็นเหมือนอย่างเช่นตอนนั้นนั่งทํางานอยู่อะค่ะจะเห็นแขนตัวเองเหมือนไม่ใช่แขนเราอ่ะค่ะมันซีดดาเหมือนศพอ่ะค่ะหรือว่าบางทีเราคิดถึงการไปเที่ยวแล้วเรามีความสุขเราก็ไปเห็นอาการที่มันบีบที่หน้าอกขึ้นมามันอาการเดียวกับเหมือนเวลาเราทุกขอย่างเงี้ยค่ะ แต่กับเวลานั่งในรูปแบบเหมือนกับมันฟุ้งซ่านมากๆเลยอะค่ะตอนที่รู้สึกฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยเอาแบบที่ผมไกด์นะคือเราลงไปดูตอนที่ฟุ้งซ่านมากๆทุกคนเท้าเกร็งหมดถ้าทำให้มันถ้ารู้สึกถึงฝ่าเท้าได้แล้วมันคลายออกนะจะรู้สึกเลยหายฟุ้งซ่านทันที หราไล่สำรวจขึ้นมาเออฝ่ามือมันยังมีอาการกรำรอยู่ไหมเนี่ยไล่ขึ้นมาทั่วทั้งใบหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคลื่นความฟุ้งซ่านมันมันลดระดับลงที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟุ้งซ่านก็เพราะว่ามันไม่มีที่จับที่ยึดที่โฟกัสของสติที่ชัดเจนมันก็เลยตะเวนไปเรื่อยเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันเคลียร์ขึ้นเห็นไหมเมื่อกี้พอพูดถึงความฟุ้งซ่านระหว่างนั่งสมาธิมันมันไปดึงเอาของเก่ามาแล้จะรู้สึกวุ่นวุ่นมาวุ่นอยู่ เนี่ยอพอพอเนี่ยตอนตอนเนี่อรู้สึกถึงเท้าที่มันผ่อนคลายขึ้นมันรู้สึกว่าในหัวมันโล่งขึ้นทันทีนี่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะเนี่ยทีนี้พอเริ่มที่จะรู้สึกถึงอาการผ่อนคลายนะผ่อนคลายทั้งร่างกายแล้วก็ในความฟุ้งก้านในหัวแค่สํารวจสังเกตเฉยๆเออถึงเวลาหายใจเข้าหรื อ, อยังอที่ผ่านมามันจะหายใจแบบ หายใจแบบต่ำใจฉันลองสังเกตดูนะมันจะหายใจแบบคนใจร้อนน่ะคือพื้นเป็นคนใจร้อนอยากได้สงบแบบเร็วๆพอไม่พอไม่ได้ปุ๊บตั้งแต่ลมหายใจแรกเนี่ยอึดอัดแล้วทำไมทาไม่ได้วะมันอะไรทําผิดหรือเปล่าอใครพูดมาถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันมีความคิดบกวนอยู่ในหัวตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่ตอนที่ทําแล้วไม่ได้อย่างใจ นี้พอตัดไออารมณ์แบบจะเอาให้ได้อย่างใจออกไปตัดความใจร้อนออกไปแต่สารวจสังเกตว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับภาวะในไกลของเราไล่ตั้งแต่ป่าเท้าค่ามือขึ้นมาจนถึงใบหน้าเนี่ยไอยอารมณ์ตรงนี้เนี่ยมันมันหายไปเกลี้ยงเลยนะเหลือแต่ความรู้สึกว่าเออตามจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เปเร่งมันมันพร้อมจะดีอยู่แล้วก็เหมือนที่เมื่อกี้คุ<น>ณบอกว่า ระหว่างวันทั้งครั้งที่ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้อะไรอยู่มันเกิดความนิ่งขึ้นมาได้เองนั่นก็เป็นเพราะว่าจังหวะนั้นเราไม่ได้ใจร้อนเราไม่ได้คาดหวังเราไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดอะไรขึ้นมาแต่จิตมันถึงเวลาสงบตามที่เราสั่งสมมาทำบุญบ้างฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิบ้างอะไรบ้างมันถึงเวลาที่มันจะสงบขึ้นมามันก็สงบ อนนี้พ้อยก็คือว่าไม่ใช่เราไปติดใจหุยเห็นแขนเป็นอนัตตาได้มันไม่ใช่ติดใจตรงนั้นแต่ให้รับรู้ตามจริงว่ามีบางครั้งเราก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ๆมันก็เป็นอนัตตาให้ดูคือไม่ใช่ไปตื่นเต้นไม่ใช่ไปมองว่าอิเราประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างแต่ให้มองว่าเกิดภาวะบางอย่างให้รู้ว่ามันแตกต่างไปจากที่เคย จากที่เคยว้าวุ่นมันกลายเป็นสงบจากที่เคยรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนอัตตาแน่นอนมันกลายเป็นรู้สึกว่างๆเหมือนทรากตบขึ้นมาเนี่ยมองเห็นอยู่ในอาการแบบนี้นี่เห็นไหมใจมันเปิดเห็นไหมว่าใจมันเหมือนกันเลิกยึดมั่นถือมั่นวิธีการแบบเดิมๆหรือว่านิสัยทางจิตแบบเดิมๆมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจไม่ใช่เกิดขึ้นจากการพยายามกระทา รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสวัสดีค่ะคือเพิ่งเริ่มปฏิบัตินะคะไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายเพื่อนชวนมาก็เลยฟังของหลวงพ่อแล้วก็ลองคิดตามว่าแบบรู้รู้อย่างนี้ค่ะก็เรื่องบางทีก็สับสนว่าเอ้ยเรารู้หรือว่าเราคิดไปเองอ่ะคะ่ะพี่ติณพี่ตุลจะบางครั้งเรารู้ค่ะบางครั้งเรารู้จริงแต่เป็นรู้ ชั่วขณะแวบ็บสั้นๆใช่อย่างบางทีสมมติสมมตินั่งประชุมกันอย่างเงี้ยแล้วมีคนหนึ่งพูดมาลรารู้สึกจิตมันคิดว่าเฮ้ยไม่ชอบเลยเราก็อุ๊ยเรากํลาลังหมั่นไส้ขอโทษนะคะเรากําลังหมั่นไส้เขาในนี้คือรู้หรือว่ารู้รู้ใช่ไหมคะคือแบบว่ <นา S 1> จับอารมณ์ณเวานั้น ค, คือพูดเนี่ยไม่สําคัญหรอกพูดอาจจะพูดแบบนี้เป๊ะเลยค่ะแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยของเราเนี่ยคือเรียกว่ารู้คือมันมีสติรู้ทันว่ากําลังมีอารมณ์แบบหนึง่งที่ไม่ดีพุดขึ้นมาค่ะ่ะแต มันจะมีระดับของความรู้แยกย่อยออกไปอีกถ้าหากว่าเริ่มฝึกแล้วเรารู้สึกเอ้ยเออนี่เป็นความคิดไม่ดีถุยขึ้นมาจริงๆแล้วเราเริ่มเห็นอย่างนี้เรียกว่าสติเห็นความคิดไม่ดีแต่พอมันเห็นแบบนั้นไปบ่อยๆอาศัยความเข้าใจที่ถูกต้องว่าเราจะรู้เพื่อให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนในที่สุด การเห็นบ่อยครั้งมันจะนำไปสู่สติอีกระดับหนึ่งรู้สึกก่อนที่จะเกิดความคิดไม่ดีว่ามีอะไรบางอย่างมากระทบใจอย่างเช่นเสียงหรือภาพโดยรวมที่มันไม่น่าพอใจพอกระทบแล้วเกิดความรู้สึกเป็นอกุศลขึ้นมาคือความรู้สึกมาก่อนความรู้สึกมืดๆความรู้สึกเหมือนขัดขั ด, ขดอกขัดใจนะเสร็จ แ, แล้วเนี่ยไอ้ก้อนความคิดเนี่ย มันค่อยผุดตามขึ้นมาไมปคิดด่าเขาหอแหคิดแบบในทางที่มันดูถูกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคำพูดมาทีหลังตามความรู้สึกมาเห็นไหมตรงนี้มันจะเริ่มเห็นละเอียดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสติเห็นต้นเหตุของความคิดที่ไม่ดีแล้วพอจเจริญสติต่อไปอีก เห็นซ้ำๆซ้ำๆเข้ามาเนี่ยถ้าประชุมบ่อยก็ดูย้ําเข้าไปตรงนี้แหละคือไม่ใช่ไปตั้งใจดักดูไว้ล่วงหน้านะแต่ว่าทําใจไว้ล่วงหน้าว่าเออเนี่ยมีสิทธิ์ที่ความคิดไม่ดีจะกลับมาอีกแล้วก็ดูดูดูต่อไปเรื่อยๆมันจะยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งคือรู้สึกอยู่ก่อนว่าเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยมันเป็นแค่อิเดียลวอนั่งเป็นเป็นตัวละครตัวหนึ่งเป็นขุนประกอบตัวหนึ่งในห้องประชุม ไม่รู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ก่อนแล้วพอในที่ประชุมเกิดภาวะเป็นฉากๆอะไรขึ้นมาน่าชอบใจบ้างฉากนี้น่าพอใจฉากนี้ไม่น่าพอใจไอ้ฉากที่ไม่น่าพอใจเนี่ยพอกระทบกับมโนถวะกระทบกับไอ้ตัวตัวการรับรู้ทางใจของเราเนี่ยนะแล้วมันเกิดเป็นความรู้สึกมืดๆขึ้นมามันไปทําให้เกิดไอ้กระแสความคิด แบบที่มันเป็นลบขึ้นมาตัวเนี้ยมันจะรู้สึกเลยว่า้กระแสความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะสภาวะที่โต้อตอบเป็นปฏิกิริยาโต้อตอบพูดง่ายๆถ้าหากว่าเรารู้สึกอยู่ก่อนว่าเนี่ยนั่งสักสักแต่ว่านั่งเป็นท่านั่งอยู่เฉยเฉยไม่มีตัวตนไม่มีมโนภาพของเรานะแต่แล้วมีอะไรมากระทบแล้วรู้สึกไม่ดีมีความคิดไม่ดีขึ้นมาเนี่ยตัวนี้แหละสติมันจะถูกยกระดับขึ้นไปเป็นสัมมาติ คือเป็นสติของแท้สติในแบบที่เห็นตามจริงว่ามันไม่มีบุคคลอยู่มีแต่ภาวะอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นด้วยเหตุปัจจัยกระทบกระทั่งแล้วไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปให้ดูไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือมโนภาพของตัวตนบุคคลเราเขาเข้าใจนะเริ่มต้นขึ้นมาจากสติธรรมดาพัฒนาขึ้นมาเป็นสติเห็นเหตุเห็นผล เห็นเป็นเหตุเป็นผลจริงๆเลยนะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเห็นสภาวะอย่างของเราอยู่ในขั้นแรกคือสติเห็นความคิดเห็นจริงๆแต่มันพัฒนาต่อได้นะแล้วต้องฝึกยังไงเพิ่มเติมดีคะอย่างคนอื่นเขต้องเปรียบไม่ใช่ฝึกเพิ่มเติมแบบที่ว่าเราจะต้องเพิ่มอุบายอะไรเข้าไปค่ะแต่เนี้ยทําความเข้าใจอย่างที่พี่พูดเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่แล้วไปสังเกตให้มากอ๋อเขาคือไปไ<ด>สงังเนี่ยคือการเจริญสติเนี้ยนะ เราเห็นของเดิมนั่นแหละเหมือนกับเห็นลมหายใจมันก็มีแค่เข้าแค่ออกเนี่ยหลายคนก็เลยเบื่อบอกว่ามันนั่งดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยนะบางทีมันคิดขึ้นมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่บ้านะมันกลับจะทําให้เปลี่ยนบ้าเป็นดีเพราะว่าไอ้ที่เห็นลมหายใจซ้ำไปซ้ํามาซ้ําไปซ้ํามาเนี่ยนะสติมันดีขึ้นเรื่อยๆมันเท่าทันมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นปกติมากขึ้ น, นเรื่อยๆแล้วพอจิตมีความเท่าทานันมมีความเป็นปกติมากขึ้นในเรื่อยมันมีความสว่างมันมีความตั้งมั่นคงเส้นคงวาในการรู้ในการเห็นเนี่ยตัวนี้เนี่ยที่มันจะแตกต่างสิ่งที่แตกต่างไปคือคุณภาพของจิตแต่รูปแบบที่ทําทําแบบเดิมมันเหมือนง่ายๆมันเหมือนซ้ําๆแต่ผลออกมาที่เกิดขึ้นกับจิตเนี่ยไม่ซ้ําค่ะ ม, มันเพิ่มขึ้ น, นเรื่อยๆ ม, มันก็มีหลายอารมณ์นะครับดีใจก็ก็รู้แต่ว่าก็คิด ม, มันเรารู้จริงๆหรือว่าเราเราคิดเองว่าเรารู้อย่างเงี้ยคะ่ะอย่างที่พี่พูดเนี่ยมันก็คือคำอธิบายที่เป็นแผนที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่ า, เ, าเราจะทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยความตั้งใจเอาเดียวนี้ว่าจะให้เห็นเป็นทภาวะเป็นอะไรแต่มันต้องเห็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งความเห็นนั้นนะ่ะทำให้จิตฉลาดมากขึ้นเองมีคุณภาพมากขึ้นเองเหมือนกับทานองเดียวกับที่เราเห็นลมหายใจสัมปายสัมมาณั่นแหละ โอเคเอาละก็คิดว่าวันนี้คงครบทุกคนแล้วนะขอบคุณที่เข้ามาร่วมเสวนากันครับสวัสดีครับ